อาจารย์ครับกล่าวอำมาตการครับผมยารินพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพอาจารย์ครับวันนี้จัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยห้าสิบสานะครับพอาจารย์ครับกับเขารายการขอโอกาสพระอาจารย์วันนี้คนไปใส่บาทเยอะไหมครับผมสี่ร้อยสี่สิบห้าคนสี <4 45 S 2> ่้อยสีสิบาองบ้านอีกสองร้อยกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ประมาณสองร้อยใช่สองร้อยกว่า <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่ได้เป็นวันพระเลยไม่มากก็วันอาทิ่ก็ถือว่ามากสาหรับวันอาทิตย์นี่ร้อย ก, กว่าเมื่อวันนี้สามร้อยกว่าวันเสาร์ครับอาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องผลของการปฏิบัติธรรมครับอาจารย์ครับอยากฟังผลมากครับอาจารย์ขอวามไม่ตาอาจารย์ได้ครับก็ทำมาคำสอนของพระุทธเจ้าก็สอนหลายระดับด้วยกัน อันนี้ผมเอาเไว้ระดับทานระดับศีลระดับภาวนานะระดับทานนี้ก็ถ้าทําอุตตรทานแล้รักษาศีลห้าได้ก็<ม>าาตายไป เ, เวลาอยู่ก็มีความสุขคนทําบุญนี่ยจะมีความสุขเพราะมีความเมตตาท่านบอกว่าหลับก็สุขตื่นก็สุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ทเทพดาจะปกป้องคุ้มครองรักษ า, าแล้วก็จะไม่ตายด้วยอาวุธวิยาพิษคืจะไม่ถูกปองร้ายเพราะไม่ได้เป็นศัตรูกับใครแล้วถ้าเวลาภาวนาจิตก็จะสงบง่าย เ, าเวลาเวลาใกล้ตายจิตก็จะไม่หลงมีสติสำเภัชนะ ถ้าตายไปถ้ายังไม่ถึงขั้นสูงสุดก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากผู้ที่ทําบุญทําทานรักษาสีา่หน้าคือมีความเมตตาเวล า, าทำบุญเนี่ยเราก็มักจะมีความเมตตาความปรารถนาดีต่อผู้ที่เราทําบุญด้วยนี่คืออา น, นิสงส์ตอนต้นตอนปัจจุบันอยู่ก็มีความสุข เตือนก็มีความสุขถ้าตายไปก็ไปอยู่ถ้าไปยังไม่ได้ถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงขั้นนิพพานก็ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆตามกํ า, ากลังของการทําบุญทําทานนะก็มีสวรรค์หกชั้นด้วยกันที่เป็นอนิสงส์ของมีชื่อต่างๆดูสิตบ้างยาวดึงบ้างอะไรนี่คือสวรรค์ชั้นต่างๆแล้วกลับมาเกิดใหม่ชาหน้าก็จะมาเกิดร่ํารวย อาจจะเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินลูกของมหาเศรษฐีเป็นต้นเช่นพระเวชสันดรท่านกระทาบุญทํา้านพอท่านตายไปท่านก็นไปอยู่บนสวรรค์พอลงจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเป็นราชกุมารแล้วก็ได้บําเพ็ญต่อจนกระทั่งได้ตัดสินเป็นพระพุทธเจ้า น, นี่คือขั้นขั้นแรก คือการทำบุญทำทานแล้วก็ไม่ทำบาปรักษาสีน์ห้าเป็นปกติขั้นที่สองถ้าภาวนาปฏิบัติจิตตภาวนาขั้นแรกคือสมถาภาวนาควบคู่กับการไปรักษาสีน์สีลแปดคือการปฏิบัติในคขมมะการยุติการแสวงหาความสุขทางการบวม เพื่อที่จะได้เอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้เข้าฌานขั้นต่างๆถ้าเข้าฌานขั้นต่างๆได้ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขจากการหาความสุขจากการปฏิบัติจิตตภาวนาตายไปก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมถ้าได้รูปฌานก็อยู่สวรรค์ชั้นรูปประพมถ้าได้อรูปประพม ถ้าได้อรูปปัจฉานก็จะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นอรูปประภมแต่ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะยังเป็นยังเป็นโลกียะยังยังไม่ได้กำจัดกิลเลสเพีงแต่กดไว้เวลาเข้าสมาธิก็กดกิเลสไว้กิเลสทำงานไม่ได้พอพอสมาธิเสื่อมโลกิเลสก็ออกมาทำงานก็ดึงให้จิตกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเสพรูปเสียงกลิ่นรส แต่คนพวกนี้เมื่อมีนิสัยที่จะปฏิบัติสมาธิเวลากลรบมาเกิดก็มากแค่ไปบวชกันซะส่วนใหญ่เพราะจะไม่มีจะไม่ค่อยสนใจกับความสุขทางรูปสิ่งกลิ่นรสได้ยังพรได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าก็จะไปเป็นนักบวชกันบวชชีบวชบวพระบวชเนรกันพ้าบางรูปที่บวชมาตั้งแต่เป็นเนน จำเลยพระสัสมมาวันฯองค์ก่อนองี์ที่สร้างวัด ญ, ญาเนี่ยท่านก็บวชเป็นเนนหลวงปู่มั่งไม่เคยบวชเป็นเนนแต่ท่านบำราสิกาออกมาไปช่วยทำบ้านทำงานพอเสร็จภา ร, รกิจท่าน ก, ก็กลับมาบวชเป็นพระต่อบุคคลอันนี้ในชาติก่อนๆเขาเคยบำเพ็ญจิตตภาวนามากันเขาชอบความสุขที่ได้จากความสงบมากกว่าความสุขที่ไดจากการเสพ ร, รูปเสียงกลินรสผลต่าง แล้วระดับต่อไประดับระดับพระอริยเจ้าอันนี้ก็ต้องต่อยอดหลังจากที่ได้รู้ประชานล้วอรู้ประชานแล้วถ้าอยากจะเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องเจริญวิปัสสนาต้องเห็นมิดฉาดาเห็นธรรมเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นใจรักในสภาวะธรรมต่างๆเช่นในร่างกายถ้าเห็นใจรับในร่างกายก็จะบรรลุ ถึงขั้นพระอน า, าคามีเลยร่างกายกับเวทนาแล้วถ้าเห็นตารลักในจิตเนี่ยก็จะบรรลุเป็นพ้าอํางานต่อไปตามลำดับนี่ก็คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้ปฏิบัติทานสีภาวนาภาวนาก็แบ่งเป็นสองระดับ สมามัคภาวนาทำใจให้สงบเป็นรูปฌานและรูปฌานส่วนระดับที่ที่สองคือวิปัสสนาภาวนาเปนการศึกษาสภาวะทำให้เห็นว่าเป็นเป็นหรือเป็นอนิจจมทุกขงังอนัตตาเป็นตายรับและทุกข์ที่ก็เกิดจากการมีความอยากตั้หาวความอยากให้สิ่งที่เป็นตายรับไม่เป็นตายรักนั่นเองอาจารย์ครับแล้วทานศีลภาวนาเราต้องปฏิบัติไปด้วยกัน ตลอดก็ <L an> พอเราเข้าสู่ขั้นภาวนาทานเราก็อาจจะอ ย, ยุติไว้ก่อนคือ <c oughs> ถ้าถ้าภาวนาจริงๆว่าเป็นถ้าไปบวชก็ทําเต็มที่เลยทำหมดเดียวค <c oughs> รับคือจะทําเลยมีเงินมีทอนเท่าไหร่ก็ยใกให้คนอื่นไปหมดยังไม่เอาติดตัวไปแนละ้วเพราะไม่ต้องใช้เงินทองในการภาวนาการภาวนานีานต้องใช้สถานที่ที่สงบ แล้วไม่มีอรจะดีเท่ากับการบวชพระวัดว่าส่วนใหญ่ก็เป็นที่สงบแล้วก็มีผู้คอยสนับสนุนเรื่องปัจจัยสี่ก็เลยไม่ต้องไปกัมวลกับกกเรื่องการหางเงินมาเพื่อจะมาใช้จา่ายเกี่ยวกับเรื่องเรื่องปัจจัยสี่ก็เลยไม่มีการจำเป็นจะต้องมีเงินมีเงินเท่าไหร่ก็ยกให้คนอื่นไปหมดก็ถ้าปฏิบัติจริงๆถ้าเข้าสู่ภาวนาจริงๆก็ไม่ต้องทําทานแล้ว ถ้าไปทําทานมันก็จะทําให้จิตลงต่งําลงเพราะเราต้องการขึ้นสูงขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรหมชั้นอริยะเจ้าแต่ถ้าเรามาทําทานแล้วก็ดึงจิตให้กลับลงมาอยู่ในระดับเทวดาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะขึ้นสูงกว่าระดับเทวดาเราก็ต้องสละทรัพย์สมบัติทำได้เดียวให้มันเต็มที่ไปหมดไปเลยมีอะไรก็ทําไป เราจะได้ไมาต้องมา ก, กังวลเกี่ยวกับการทรัพย์สมบัติเช่าของเงินทองอีกต่อไปเพราะมันจะเป็นมันจะเป็นนิวรณ์ได้ถ้าเราไปมีทรัพย์สมบัติแล้วใจเรายังผูกมัดมกับมันอยู่เดี๋ยวเราก็ต้องคอยตรวจดูว่ายอดเท่าไรหร่เหนือเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเกิดมีเหมือนหายไปแบบไม่มีเหตุมีผลก็จะเครียดขึ้นว่าได้ใครรักรอบไปหรือเปล่าขโมยไปหรือเปล่า งั้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติแต่งรูปแบบนี้เขาจะไม่เ ข, ไมเขาจะไม่ยุ่งกเรื่องเงินทองชลาเวลาบวชนี้ก็จะไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวไปด้วยตอนเวลาขึ้นเขาพระอาจารย์บอกไม่ต้องลงมาใส่บาตรใช่ไหมครับเอาเป็นว่าใช่ถ้าปฏิบัติจะไม่ต้องมาลงมาใส่บาตรนอกจากถ้าต้องลงมารับประทานอาหารก็ต้องลงมาเหมือนกับพระพระก็ตงลงมา แต่พามาเพื่อมาหาอาหารมาบินตบานญาติโยมที่อยู่บนเขา่ามาช่วยพัดถ่ายช่วยหิ้วของที่ได้จากบินตาบานแล้วพระนั่นก็แบ่งให้ญาติโยมไปแบ่งกันครับขอรักคุณพระอาจารย์ครับผมผมขอโอกาสถามคําถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับจากคุณอัญชลีครับพอดีเพิ่งจะสูญเสียสา ม, มีไปแบบกระทันหันมีคําถามหลายข้อนะครับข้อที่หนึ่ง คนเสียชีวิตเราถือว่าหมดเวรหมดกรรมจากชาตินี้แล้วจริงไหมครับไม่หมดหรอกเวรกรรมมันก็ยังตามต่อไปได้นะถ้ามันยังมีอยู่เวรต้องใช้เวรมันถึงจะหมดไม่ได้หมดไปเพราะความตายของร่างกายเวรมันตามข้ามภพข้ามชาติต่อไปได้ข้อที่สองครับการที่คนเราจะมีอภิน ญ, ญายานได้ต้องทำอย่างไรครับคือต้องเข้า อุปจาระสมาธิได้แต่เท่าที่ได้ยินว่าคนที่จะสามารถเข้าปัญญาได้มีจํานวนน้อยน้อยละห้าน้อยคนยังมีห้าคนที่จะมีวาสนาในทางนี้อาจจะเป็นเพราะในอดีตชาติเคยได้พบกับครูบาอาจารย์ที่เก่งทางนี้แล้วได้ฝึกฝนออกลมทางด้านวิชานี้มาก็ยังมีติดเป็นนิสัยมาพอเข้าสมาธิพอจิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิ ก็จะไม่อยู่ในอปปนาสมาี่จะแว๊บออกมาเพื่อมาเอามามามีอภิญญาต่างๆเรียกออกปจารสมาธิก็ในวการปฏิบัติก็จะมีภาพบางรูปท่านก็ ม, บกมบีบางรูปส่วนใหญ่จะไม่มีบุมั่นเนี่ยท่านมีอภิญญาท่านสามารถติดต่อกับเทวดาได้ท่านอ่านวาลจิตของลูกศิษย์ได้ของใครก็ได้ คนที่มาติดต่อกับท่านคุยกับท่านเนี่ยบางทีไม่ต้องพูดหมือท่านรู้ว่าจะถามอะไรเพราะถ้าอ่านใจอ่านใจได้ก็มีเรื่องที่ในประวัติที่จะเล่าให้ฟังวะท่านเคยไปภาวนาอยู่ที่แถวแถวท่มสาริกาเมอนะัมีพระนลวงตาอีกรุ่นหนึ่งท่านก็ไปภาวนาองค์ที่เป็นหลวงตาท่านก็พักอยู่ที่กุติสาราข้างล่างท่านก็ไปพักอยู่บนเขา ตอนคืนหนวบุม่นนีนก็ส่งจิตมาดูว่าหลวงตาลูกนี้ทำอะไรอยู่ก็เห็นท่านกําลังคิดถึงเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรนะต่างกังวลกันตอนช้าพวกป่ากันท่านกาเหมือนจะพูดเป็นเชิงให้ hey, สติว่าไยุ่งกับครอบครัวก็ทําไมเราเป็นพระนะครับ <c oughs> <c oughs> พูดท่านนี้พระล้มนั้นก็เลยว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้นะท่านก็เลยย้ายไป <c oughs> ใครให้มารู้เรื่องราว <c oughs> ของเราได้ยังไง นีอภิญญาแต่ไม่ใช่ทุกรูปลูกศิษย์ของลูกศิษยของปู่ม่านเขาไม่ทุกรูปที่มีอภิญญาลูกศิษย์ของพระเจ้าก็เหมือนกันพระองค์ก็มีอภิญยาพระองค์ก็ไม่มีมีความชํานาญมีความเก่งในทางคนละด้านกันพระโมคละก็เก่งทางอภิญยาแต่พระสารนบุญก็เก่งทางปัญญาพระสีวลีก็เก่งทางด้านทานบาลมีไปไหนก็มีคนคอย ตามใส่บาดททำบุญถวายรับของเงินทองพระอนุ์ก็เก่งทางด้านเป็นผู้ฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาจดจำคำสั่งคบสอนต่างๆไดห้หมดพระสูตร ต, ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนี้พระอนุนจัจดจำได้ไุ้หมดเลยอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละคนซึ่งอาจจะมาเกิดจากการสะสมบารมีเหล่านี้มาในแต่ละภูแต่ละชาติไม่เหมือนกัน แต่มันนการเบียอภิญญานี้ไม่มีประโยชน์ต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานยอ็นท่ายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานอย่าไปยุ่งกับอภิญญาถ้าเรามีโอกาสถ้าเรามีวาสนาในทางนี้มันจะทําให้เราหลงและอาจจะทําให้เราติดนั่นจะทําให้เราไม่ไปทางด้านอัปนาสมาธิเพื่อไปใช้ในการเจริญวิปัสสนาต่อไปเอ็นท่ามีวาสนาทางนี้อย่าเพิ่งมายุ่งกับมันไว้รอให้บรรลุมรรคผลนิพพานก่อน มันเป็คนความขุนนิพานนะทีนี้ก็ใช้อภิญญามาในการทําประโยชน์ให้กับผู้อืน่นเช่นพระพุทธเจ้าก็ใช้อภิญญามาสแสดงทําให้กับเทวดาบางครัง้งบางคราวก็แสดงกับพนิหารเช่นพระองค์ุลิมาจะตามฆ่าพราะองค์ก็ทําให้องค์ขุลิมาตามไล่ไม่ทันนี่ท่านก็ใช้แต่ท่า น, ท, านท่านใช้เพื่อเป็นเอามาเป็นเครื่องมือสั่งสอนธรรมจะจนทําให้องคุลิมาเนี่ยยอมรับคําสอนของพพุทธเจา้า แนนล้วก็บรรลุเป็นพระตามลาดับต่อไปอภิญญามีประโยชน์แต่ประโยชน์เพื่อให้กับคนอื่นประโยชน์กับตนเองไม่มีเลยในการที่จะช่วยให้บรรลุมากผลนี่ผ่านเอาจจะกลายเป็นอุปสรรคหรืออาจจะกลายเป็นโมหะหลอกให้หลงผิดข็น่าเช่นพระเทวทัตนี่ท่านก็มีอภิญญาท่านก็คิดว่าท่านเก่ง ท่านเก่งกพาพระลูกอื่นจึงกล้าขออนุญาตจากพระพุทธเจ้าว่าขอเป็นผู้รับหน้าที่ต่อจากพระพุทธเจ้าในการปกครองสมพระอาจาก็รู้แล้วว่าอันนี้มันเป็นกิเลสตัณหาความอยากอยากเป็นใหญ่เป็นโตถ้าทำที่ตัวเองนี่ยังไม่มีคุณธรรมพอที่จะปกครองผู้ปกครองตัวเองยังไม่ได้แล้วจะไปปกครองผู้อื่นได้อย่างไรก็ปฏิเสธไปก็ทําให้โกรธจองเวนพระพุทธเจ้าอพยายาม ต่างค่าต้องสามรอบก็ค่าไม่สําเร็จจนในที่สุดก็เกิดจิตสํานึกขึ้นมาว่าเป็นการกระทําที่ผิดอย่างมากก็จะไปการาบขอเข้ามาระหว่างทานวัตถุครอีนสู่ก่อนจะถูกสูบก็ขอถวายการาบเป็นเครื่องอเครื่องขอโหสิกรรมต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าการที่เขายังมีความสํานึกผิดอยู่นี่ก็จะทําให้เขา หลังจากที่เขาไปใช้กรรมนังนรกแล้วเขาจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะมามนุษย์เป็นพระปฏิ ก, กับพุทธเจ้าต่อไปอยังต้องระวังถ้ามีอภิน ญ, ญาง่วงระวังอย่าไปยุ่งกับมันไม่มีประโยชน์มีแต่โทษมากกว่าสำหรับตัวเราเองข้อที่สามครับการที่เราขอไว้ว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้มาพบเจอเป็นครอบครัวเดียวกันอีก แรงอธิฐานจะช่วยให้สมฤทธิ์ผลได้ไหมครับไม่ได้ครับมันต้องอยู่ที่เหตุคือการปฏิบัติการกระทำท่านบอกว่าถ้าศีลเท่ากันทานเท่ากันนี้โอกาสที่จะมาเจอกันอีกก็เป็นไปได้ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติธรรมะให้มันเท่ากันขับรดสองคันเนี่ยขับรถตางกันไปนี่ถ้าคันนึงเร็วกว่าอีกคันหนึ่งเดี๋ยวคันที่ช้ากว่าก็ตามไม่ทัน ความหนึงต้องเท่ากันมีสวัสถภาพเท่ากันแล้วก็รถไม่เสียกลางทางไม่ใช่คันหนึ่งรถเสียอีกคันหนึ่งก็วิ่งต่อไปมันก็จะไม่เจอกันในภายภาคหน้าได้เพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเหตุมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าทำบุญทำทานเท่ากันรักษาศีลเท่ากันภาวนาเท่ากันเนี่ยหล่อนี้มันก็จะเป็นเหตุที่จะทําให้ไปเจอกันได้ในในในชาติหน้าต่อไปแต่ถ้าขอเฉยๆมันไม่มีทาง ศาสนานี้ไม่เคยสอนเรื่องขอสอนเรื่องกระทํางเรื่องการปฏิบัติถ้าอยากได้อะไรต้องปฏิบัติขอไม่ได้ข้อสี่ครับวันพระขึ้นสิบห้าข้ามหลังวันออกพรรษาคือวันที่เปิดประตูโลกสวรรค์นรกทําให้คนตายกลับมาสถานที่ที่เสียชีวิตน่าจิตสุดท้ายได้จริงไหมครับอไม่จริงหรอกวันุวันแล้วออกพรรษาที่เป็นเรื่องวันวันตักบาทเทโว คือมีพรรษาหนึ่งผู้เจ้าได้ไปโปรดพุทธมารยาที่สวรรค์แสดงธรรมตลอดระยะเวลาสามเดือนจนกระทั่งบรรย์ปเป็นพระโสดาบันพอวันออกพรรษาพ่อวสิเสรตลงออกจากองคากสวรรค์ ล, ลงมานะครับจริงความเป็นจริงร่างกายของท่านไม่ได้ไปหรอกเวลาที่ท่านแสดงธรรมอย่างที่พูดไว้ท่านก็ใช้อภิญยาสมจิตนี้ไปติดต่อกับกายทิพย์ได้แล้วก็แสดงธรรมให้กับพวกเทวนาได้ แต่สามัญสำนึกของคนทั่วไปก็วาดภาพว่าวัาวนพระเจ้าลงจากสวรรค์แล้วต้องลงมีบันไดทิพย์รอรับสงลงมาแล้วก็มีสาวประสาททั้งหลายทั้งปวงมาคอยรับเสด็จอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของนิยายจินตนาการกันมากกว่าคอยก็เลยเชื่อว่าทําบุญในวันนั้นจะได้บุญเยอะคนงนิยมตักบาตรเ ท, ทโวกันนะครับ คุณธนากรครับบอกว่าไปดูโซเชียลมีเดียคนอื่นแ ล, แล้วเกิดการเปรียบเทียบจะแก้ไขยังไงดีครับอย่าไปดูซิ <laughs> คนแนนครับปกติดูลมหายใจมีช่วงหนึ่งติดโทสะเลยฮึบมาดูลมกลายเป็นว่าตอนนี้พอรู้ตัวจับเพ่งเองอัตโนมัติจะสามารถคลายอาการเพ่งตรงอกอย่างไรได้บ้างครับ ก็อยู่ที่กําลังของสติเราเนายเรามีมากไม่น้อยถ้ามีสติมากมันก็สามารถที่จะบังคับให้จิตอยู่กับอารมณ์ยารมหนึ่งได้ย้ยอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนตามความต้องการของเราได้ถ้าเรามีสติมากพอถ้าเรายังไม่มีสติมากพอก็ต้องหวนเจริญสติให้มากขึ้นทั้งวันทั้งคืนอยากจะเปลี่ยนมาเป็นพุทโธก็เลยเลยขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพยายามฝึกบังคับเป็นพุทโธพุทโธไป ถ้าอยาดูลมช่วงที่เรายัางไม่ได้นําเฉยๆมีการเคลื่อนไหวหอะไรแล้วก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก่อนพอเวลาละเวลานั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนมาดูลมได้ต้องฝึกสติให้มากขึ้นถามว่าจะขอถามว่าใส่บาตรใส่อาหารถามพระได้ไหมครับว่าต้องการอะไรครับราอาจารย์ก็บุญวันท่านก็พูดแล้วส่าบาทไม่ให้ถามพระ มีเวลาก็ทําไปนอกจากว่าถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาอย่างเรียนรู้ก็ไปคุยนับรอบได้อยู่เช่นไม่ใชไปคุยตอนที่ท่านอยากจะกินอะไรชัชอบอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นการศึกษาก็อาจจะมีการสอนก็ของของคาวของหวานตามปกติทั่วไปมีของบางอย่างที่พาลาดลดไม่ได้เช่นเนื้อสัตว์สิบชนิดพระเจ้าห้ามไม่ให้พระดเอามาฉันแต่ส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์ป่า นื้อเนื้อสิเนื้อเสือเนื้อสิงโตเนื้อช้างเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเนื้อที่พระไม่ควรจะจัดฉันแล้วก็ไม่ควรจะอรับของฉันที่เป็นของมึนเมาเช่นอาหารบางอย่างเช่นข้าวข้าวอะไรข้าวหมกใช่ไหมข้าวก็เลยข้าวอะไรที่ที่มันข้าวหมักอะไรเนี้ยก็ไม่ควรจะาหแล้วก็ของดิบก็ไม่ควรจะถวายต้องเป็นของสุกเนื้อต้องเป็นเนื้อสุก เนื้อสุกจริงๆเช่นไม่ใช่เนื้อแบบยังมีเลือดซิบซิบอยู่เนื้อไข่ก็ต้องเป็นไข่แข็งเลยไม่ใช่ไข่แบบที่เป็นไข่ดาวอย่างนี้ท่านแสดว่ายังเป็นยังเป็นของสุกๆดิบๆอยู่ยังไม่ได้เป็นของสุกเต็มที่แล้วก็อีกอย่างถ้าเป็นชาวบ้านถ้ามีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วเวลามีาพระ ม, มามามาโปรดก็อยากจะทําบุญด้วยการเอาเอาไก่เนื้อเป็ดมาฆ่าแล้วมาแกง แล้วก็นำแกงแกงไก่ที่ฆ่าที่ไปถวายพระแล้วบอกท่านว่านี่ผมทํามาเพื่อท่านไปตรงเลยนะขอให้ท่านช่วยอนุโมทนาด้วยถ้าพระทราบก็รับไม่ได้เพราแต่ทําทบาเพื่อมาทําบุญนี้ท่านไม่ส่งเสริมแต่ถ้าก็เป็นปกติของเขาเช่นเขาก็ทําแกงไก่ของเขาอยู่เป็นประจําเขาว่าาเป็ดฆ่าไก่ในในบ้านของเขาแล้วก็แบ่งอาหารนั้นมนาใส่บา น, นี้ก็รับได้ แต่ถ้าทําเพื่อเจาะจงเพื่อมาถวายพระเลยตรงนี้ก็จะรับไม่ได้แต่ถ้าไม่ทราบก็รับไปได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าไม่พูก็รับไปได้ก็ไม่ทราบไม่ทามํทาไงครบัรบผมคุณมาลีครับบทสวดพระไตรปิฎกใช่บทสวดในาศาสนาพุทธไหมครับบทสวดนี้ความยาวเท่ากับสวดธรรมจักรกับปปัตตนะสูตรไหมครับเราก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องนี้เท่าไหร่ และก็บอกมาจากาพระพไตเป็ด็กก็ต้องมาจากภระพตไตเป็นด็กนะครับแม้แต่พระสูนเช่นพระธรรมจักรกับพระพุทสูตนี่ก็มาจา ก, า พ, ากพระไตเป็ด็กใระไตพระไตเป็ด็กนี้มีบทธรรมบทตั้งแปดสี่ันธรรมบทแต่เราก็ไม่ทราบว่าเข้าบทไหนออกมาให้สวยกันก็ถือว่ารวมเป็นธรรมานุสติได้โดยการการใช้ธรมรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งของสติเป็นการเจริญสติได้อย่าง ส่วนบ่นบวชน้อยก็ได้สิ่งที่เราต้องการจากการสวดก็คือต้องการสติต้องการความสงบจากการสวด น, นี่เท่า น, นั้นเองบอกว่าตามคุณแม่เข้าวัดตั้งแต่เด็กสี่ห้าสวดมนต์ไหว้พระแต่เจ็บป่วยต่อเนื่องเพราะอะไรครับขอคําชี้แนะด้วยครับเ อ, อเรื่องศี่ห้านี่เรื่องทำบุญนี่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายร่างกายนี่ก็เจ็บป่วยมีหลายสาเหตุด้วยกันเป็น กรรมพันธุ or or us, ์หรือเปล่าหรือว่าเป็นความบกพร่องทางใดทางหนึ่งของร่างกายหรือเปล่าการบริโภคอาหารของเราการดําเนินชีวิตของเรามันก็มีส่วนอันนี้ต้องถามหมออจะดีกว่าถามเราเรื่องของร่างกายถามคุณหมอดีกว่าไม่เกี่ยวกันการปฏิบัติธรรมทาบุญทําทานรักษาศีลที่เกี่ยวกันเรื่องทางด้านจิตใจจิตใจจะสงบจิตใจจะเย็นจิตใจจะมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญทําทานรักษาศีล อาจารย์ครับแต่ถ้าคนละเมิดสีห้ามาในชาติกันก่อนนี้เวลาเกิดมาเขาก็จะเจ็บจะป่วยง่ายใช่อาจจะมีอะไรนี่เป็นเวลาในสองของบาปกรรมที่ได้ทำไว้มาเกิดก็มีโครคภัยไข้เจ็บอายุจะสรรรั้นบางทีร่างกายก็ไม่สมประกอบอาการไม่ครบสามสิบสองต่างๆนี่ส่วนหนึ่งก็เป็นสาเหตุจากการกระทาบาปมาในอดีตชาติคุณแว่นครับรู้จากการฟังมาว่าขันห้าคือตัวทุกข์ แต่เวลาร่างกายเจ็บป่วยยังอยากให้หายป่วยเร็วๆแสดงว่ายังรู้ทุกข์ไม่จริงใช่ไหมครับและจะทําอย่างไรให้เห็นทุกข์อย่างแท้จริงได้ครับคือความจริงขันห้ามมันไม่ใช่เป็นตัวทุกข์หรอกตัวทุกข์ก็คือตัวความอยากอยากให้ขันห้าหายเร็วๆอยากให้เวลาร่างกายเจ็บแล้วหายเร็วๆโดยนี้ต่งางๆที่เป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ไม่ใช่ขันห้าขันห้าเขาก็เป็นเขาก็เป็นของเขาเขาก็เป็นอนิจจังอนัตตา เก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเจริญแล้วก็ เ, ปเปกสื่อมไม่มีการไปควบคุมบังคับได้แต่ตัวทุกข์นี่มันมาจากใจที่ไปอยากให้ขันห้าเป็นอยู่ภายใต้การความควบคุมบังคับของใจก็อยากจะให้ร่างกายนี้แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแลย้วมีโรคหืออ่อนแอขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจความทุกข์ใจ น, นี้เกิดจากความอยากของใจที่อยากจะให้ขันหเป็นไปตามความอยากของใจ ที่มันเับก็ทําไปทํามไม่ได้ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ห้ามร่างกายมันไม่ได้ถึงเวลามันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไปเป็นธรรมดาคุณแอมถามบอกว่าอากาศร้อนมากนั่งสมาธิในห้องแอร์ได้ไหมครับก็ไม่มีข้อห้ามขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จ ะ, ะเข้มข้นต่อการปฏิบัติมากน้อยเท่าไหร่ อพาถ้าเราต้องการเข้มข้นเราก็ปฏิบัติแบบที่ไม่ให้มันเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดคือไม่พึ่งสิ่งภายนอกในการที่เราจะปฏิบัติแม้แต่ที่นั่งเบาะนุ่มๆก็ไม่ไม่ต้องใช้นั่งมอคคุ้นธรรมดาเนี่ยแหละก่เวลาไปอยู่ในป่าเราจะจะแบกพวกที่นั่งไปด้วยลวลวเลยเวลาไปทุ่ดงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือเราต้องการฝึกจิตให้อยู่กับธรรมชาติให้ได้ธรรมชาติจะร้อนจะหนาวก็ ฝึกจิตให้มันเพราะมันถือว่ามันทุกขเวทนาอย่างหนึ่งความร้อนก็คือทุกขเวทนาอย่างหนึ่งถ้าเราฝึกจิตให้อยู่กับทุกขเวทนาได้เราก็จะสบายเวลาเวล า, เวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาใจเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเรายังเป็นผู้เริ่มต้นอยู่จิตยังไม่แข็งพออาจจะต้องถ้ายังอยากปฏิบัติอยู่แลวถ้ามันร้อนมากนัาทําปฏิบัติไม่ได้ก็อยากจะใช้เครื่องปรับอากาศมาช่วยเสริมก็ทําได้แต่ต้องรู้ว่า มันจะมันจะทําให้ติดได้แล้วต่อไปถ้าไม่มีเครื่องป ร, ร, รับอากาศจะปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องระวังในข้อนี้ด้วยอที่นี้สุดก็อย่ามีมีอะไรเลยมาเกี่ยวข้ อ, ของกับการปฏิบัติเอาธรรมชาติเอาแบบธรรมชาติเอาเป็นใบาตามธรรมชาติตามมีตามเกิดไปแต่ก็ปรับได้เช่นทําแดดมันร้อนนี่ก็อย่าไปนั่งกลางแดดไปนั่งในร่งนี้ทําได้อยู่อื นอกจากว่าอยากจะฝึกทุกขเวทนาอยากจะเจรทุกขเวทนาก็ไปนั่งกลางแดดน้อนหนึ่งก็ได้โดยทําใจให้สงบไม่ไม่กังวลไม่ทุกขับความร้อนของแดดได้หรือเปล่าก็ได้เหมือนกันคุณเป๊ปครับในชีวิตประจําวันขณะทํางานถ้าว่างจากความคิดให้ระลึกพุทโธโดยไม่กําหนดลมหายใจได้ไหมครับได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราจะใช้ คุณโอครับบอกว่าอุทิศบุญให้สัตว์เลี้ยงที่เพิ่งเสียทําทานหรือปฏิบัติแบบไหนนะ้องจะรับเร็วที่สุดและกําลังบุญสูงสุดครับทําทานเนี่ยเร็วที่สุดสูงสุดเพราะการปฏิบัติธรรมของเรานี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้ดุลเพราะเรายังเป็นขั้นขั้นเรียนรู้ขั้นฝึกขาดอยู่ยังไม่ได้ผลยังถ้าอยากจะให้ผลเดียวทําทานพุ๊บก็ผลก็เกิดขึ้นแนละความสุขใจเห็นใจก็เกิดขึ้นจากการทําทานนะแล้วเราก็สามารถอุถึง ทานี้บุญนี้ให้กับใครก็ได้ที่ลงนัดไปแล้วจะเป็นคนก็ได้เป็นสัตว์ได้ละชานก็ได้ดวงวิญญาณก็เหมือนกันคุณขวัญครับขอคําแนะนําทําอย่างไรให้ใจไม่ร้อนในวันที่อากาศร้อนอบอ้าวทุกวันครับก็ต้องมีสติเยอะๆฝึกสติสตินี้จะทาให้ใจเย็นนะไม่มีสติแล้วตันหาความอยากมันย่อออกมาเพ่นพ่าน ปัญหาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ใจร้อนอยากจะทําอะไรต้องให้ได้ดังใจทันทีทันใดเพราะฉนั้นต้องฝึกสติให้มากๆแล้วสตินี้จะทําให้ใจเย็นลงเพราะคอยควบคุมตัญหาความอยากไม่แสดงตัวได้มากขึ้นได้มากเวลาปฏิบัติแล้วลมหายใจขาดต้องทําอย่างไรต่อครับให้รู้เฉยๆไปรู้ว่ามันขาดไม่ต้องทําอะไรอยู่ที่จุดเดีย ถ้าดูที่ป่ายจมูกก็ดูที่ปลายจมูกเพรตอนนี้ไม่มีลมให้ลูกเฉยๆสักแต่ว่าไม่มไปคุณเพียงพิษครับการที่เราฝันว่าพ่อแม่ที่เสียชีวิตมารับเราไปอยู่ด้วยมีคนบอกเป็นสัญญาณว่าเราจะเสียชีวิตจริงหรือไม่ครับก็ <c oughs> ตายแล้วเปล่านะถ้าตอนนี้ยังไม่ตายไม่ใช่เลยอันนี้เป็นเรื่องของโมเมนกันทั้งนั้นเนี่ยครับถ้าฝันว่าเรารวยแล้วเราจะรวยไหม ก็ดีนะครับอยากให้คนในครอบครัวเลิกดื่มของมึนเมาทำอย่างไรครับอาจารย์เราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเราห้ามตัวเราได้ถ้าเราอยากให้คนไม่ดื่มของมึนเมาเราก็อย่าไปดื่มท่านั้นเองเนาะแต่คนดื่มเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอนอกจากเขาเขาอยากจะเลิกและขอเขาขอความแนะนำว่าเราต้อง บอกเขายัางไงทํำยังไงก็เราก็แนะนําไปถ้าเรารู้วิธีถ้าเราไม่รู้ก็ต้องให้เขาไปไปถามคนที่รู้ว่าทำอย่างไรถึงจะเริ่มได้คุณปภัสราครับพบภูมิอะไรที่สามารถทําภาวนาได้บ้างครับมนุษย์เนี่ยเป็นพภูมิที่ดีที่สุดนอกานั้นยากคุณเที่ยวไปเรื่อยครับ มนุษย์มีเครื่องอาศัยอยู่คือเสพรูปรสกลิ่นเสียงพระอารหันต์ท่านมีอะไรเป็นวิหารธรรมใช่ความสงบหรือเปล่าครับใช่ความนิ่งของใจความปราศจากกิเลสตัณหาความบริสุทธิ์ของใจให้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ว่าปรมังสุ ข, ข ค, ครับนี่คุณพราหมบอกว่าทําบุญให้คนตายแต่สถานะรับบุญไม่ได้บุญนั้นจะสูญเปล่าไหมครับไม่สูญหรอกมันก็กลับมาหาเรา คือการทำบุญนี่เราไม่ได้ยกให้ทั้งหมดท่านบอกวนะ่าบุญอยู่ที่นี้มันเป็นเพียงเสี้ยวเดียวของบุญที่เราทำที่เราแบ่งไปได้ส่วนใหญ่ยังยังเป็นยังอ ย, อยู่กับเราต่อไปเป็นของเราแล้วถ้าส่วนที่เราส่งไปไม่มีใครรับมันก็จะกลับมาหาเราเองคุณนิกนะครับการถวายน้ําบนหิ้งพระเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าได้ไหมครับไม่เป็นวิธีที่พระเจ้าสอนให้บูชา ถาอจะบูชาคุณของพระพุทธเจ้าต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาถ้าไมิสบูชาก็ต้องให้บูชาด้วยการทำโน้มบํรุงพระพุทธศาสนาเช่นถวายปัจจัยสี่ให้กับพระภิกษุสงฆ์มินทบะอาหารมินทบะจีวรเครื่องเรื่องหกอย่างต่างๆนี้นี่ว่าเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้ามีสองอย่างอาริสบูชาก็ทำโน้มบํารุงพระพุทธศาสนาด้วยวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆ สร้างวุงสร้างเจดีสร้างกุฏิอะไรท่านปฏิบัติบูชาก็ให้เราปฏิบัติทานศีลภาวันปฏิบัติศีลศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติจิตตภาวนาถามว่าพระปฏิเสธ ร, รับของที่ถวายได้ไหมครับถ้าเป็นของที่พระรับไม่ได้เช่นถวายเปิ้ลนี้ถวายโซลายังไงก็รับปฏิเสธได้แต่ของที่ไม่ไม่ไม่ ไม่มีข้อห้ามก็รับได้คุณดําครับอนาคามีผู้ไม่มาเกิดในกาลมาวาจรภูมิอีกจะเกิดในพรหมโลกแล้วบรรลุอรหันต์แล้วนิพพานบนพรหมโลกถูกต้องไหมครับถูกต้อ ง, องหนูตื่นใส่บาตไม่ทันแต่สวดมนต์ไหว้พร ะ, จะเจริญมมีปรสนากรรมาฐานแทนได้ไหมครับมันเป็นมูล อ, อะไรอย่างมัน คือบุญที่เกิดจากการทําให้ทานนี่ใส่บาตนี้มันได้ทันทีมันเป็นเหมือนพาร์ตฟูดอ่างเงี้ยแต่บุญที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์นี่เป็นเหมือนกับการไปปลูกข้าวก็ต้องรอเก็บเกี่ยวต้องรอมาคุ้มก่อนถึงจะกินได้มันมันนานถ้าอยากจะได้บุญทันทีก็ทําบุญทําทานไปส่วนการภาวนานี่อยู่ที่ว่าเราสามารถทําใจให้เกิดผล ผลจากการปฏิบัติได้หรือไม่เจ็ดนวนเป็นสมาธิได้หไม่อันนั้นนะถึงจะเรียกว่ได้บุญช่วงปฏิบัตินี่มันเหมือนกับเป็นช่วงสร้างสร้างเหตุที่ทําให้เกิดบุญเหมือนกับปลูกข้าวไถานาปลูกข้าวไว้ก่อนเราต้องรอให้ต้นข้าว ม, ามันเนาะกำลังเติบโตแล้วค่อยออกออกรวมมาถึงจะได้ข้าวมันไม่เหมือนกับข้าวที่เราไปซื้อตามร้านอาหารพอซื้อปั๊บสั่งปั๊บก็ได้ข้าวมากินเลย คุณนิกนะครับจําเป็นต้องถือสินแปดเท่านั้นไหมครับกับการฝึกสมาธิได้สมถะสมาธิครับคือศินแปดนี้ก็คือให้เราไม่ไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้ น, น ก, กายห้าไมไว้ถ้าเราไม่ไปหาอยู่แล้วเราไม่ไปเที่ยวไปกินไปดืม่มล้วไม่ไปร่วมรับน้นองกับใครแล้ว<ๆ>ก็ถือว่าเรามีสินแปดโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องถือศีนแปดก็ได้ เรามีเวลาให้กับการปฏิบัติได้ได้ทั้งวันทั้งคืนนี้ก็จ ะ, จะว่าถึงสิแปดหรือไม่ถึงสิบแปดก็ไ ม, ไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญนะสําคัญว่าเรามีเวลาปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งเขืนหรือเปล่าคุณสิริพรถามว่าศึกษาพุทธวจนะดีไหมครับก็ดีไ ง, ง, งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยฟังนอย่างนี้ก็มีคําสามุตตเจ้านะคุณกิตติณพลครับ ขอความสว่างแจ้งครับหากไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเป็นเพียงธาตุสี่มาประชุมกันแล้วใครไปเกิดไปรับผลบุญผลบาปครับอ๋อมีธาตุนอกจากธาตุสี่แล้วยังมีธาตุที่ห้าคือธาตุรู้ธาตุรู้นี่มาเป็นผู้กํากับสั่งการให้ธาตุสี่คือร่างกายเคลื่อนไหวให้ทําบุญทําบาปดังั้นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปก็คือธาตุรู้นี่ไม่ใช่ธาตุสี่็นงามงไป ถ้าสิ่งหน่เราทำ ไ, ไม่ได้เป็นผู้ทําบุญทําบาปผู้ที่ทําบุญทํำบาปคือธาตุคือใจผู้สั่งให้ร่างกายทําบุญมิ่งทำบาปนี้ใจนีน่แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปตอนนี้จิตตภาวนาพุทโธเองตลอดเวลาว่างมีอะไรเกิดขึ้นจะมีอีกตัวหนึ่งจ้องดูจะทํายังไงต่อขอคําแนะนําจากนี้ครับ ไม่ต้องไปสนใจตัวที่เจ้ามือให้เราคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดให้ได้คอยหยุดความอยากคอยหยุดกิเลสตัณหาให้ได้ฮะดูตัวกิเลสมากกว่ายุยบไม่ต้องไปสนใจกับตัวอื่นตัวอื่นไม่ใช่เป็นประเด็นตัวที่เป็นปนัญหาก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี้ทั้งคุณโน้ตครับก่อนนอนควรสวดมนต์บทไหนและกี่จบครับแล้วแต่เรา ส่วนบทไหนเราจําบทไหนได้ก็สวดบทนั้นเราจะสวดกี่จบยิ่งสวดมากก็ยิ่งได้ได้ได้สติมากได้ความสงบมากขึ้นก็การสวดน้วยคุณสมจิตถามบอกว่าคนปิดศีลข้อสามทำงานที่วัดนําสวดศีลห้างานศพได้ไหมครับ ได้ทํามันยังไม่ได้เองแต่ว่าเขาอาจจะไม่ไม่ยอมให้คนที่ผิดศีลไปไปอยู่ในวัดถ้าเขารู้เป็นคนไม่ดีเขาก็จะไม่ให้ไปเกี่ยวข้องถ้ารู้เป็นคนชอบทำบาปนี่เขาก็ย้ำเขาก็จะพาะหรืเจ้าว่าทัดพ่อรู้เขาคงจะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวในวัดกันะทํําทาได้ค่าเป็นค่าคนมาแล้วจะนําว่านํำศีลว่านำได้ถ้าถ้าท่องเป็นเพราะไม่แค่เป็นการท่องนั้นเอง ไม่ได้เป็นเรื่องของว่าจะต้องเป็นศินเมอร์เึงแล้วทั้งนี้สามารถนำนาขอสีนได้คุณพักภูมิครับการถวายหิ้งพระที่บ้านหมายถึงน้าดอกไม้ผ ล, ลไม้มีผลอะไรการไหว้เจ้าที่เจ้าทางไหว้สารมีผลบุญได้บุญไหมครับไม่ได้ไเลยเลยมันเป็นเป็นเรื่องของความหลงความเชื่อทั้นนีง ถ้าอยากจะได้บุญก็เอาผลไม้เนี่ยไปจากทานให้กับคนจนก็ได้หรือจะเอาไปใส่บาตรให้กับพระก็ได้อย่างนี้จะได้บุญได้ทานบุญที่เกิดจากการให้ทานคุณมนถามว่ามีความทุกข์เกาะใจขอวิธีสลัดคลายครับ ก็หยุดความคิดให้ได้ความคิดความทุกข์าัเกิดจากความคิดของเรามาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นตามที่ใจเราอยากใจเราก็ทุกขึ้นมาเราก็หยุดความคิดพอหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้พอความคิดไม่มีความอยากไม่มีความทุกก็จะหายไปคุณซีเอทีครับหากสนใจอยากไปปฏิบัติธรรมบนเขาต้องทาอย่างไรครับ อันนี้ก็ต้องติดต่อกับพระบนเขานะมันมีมมพระที่ต้องไปถามผ่านทางคุณหมอก็ได้ถ้าเป็นผู้ชายนะผู้หญิงก็ผู้หญิงก็มีมคีคุณหมอเราะจะรู้จักผู้ที่ติดต่อได้ใช่ไหมรู้จักครับอาจารย์เดี๋ยวผมตอนจบรายการเดี๋ยวผมแจ้งทีครับอาจารย์ครับชอบกลัวความตายครับบางครั้งต้องทํำยังไงดีครับท่องแต่พุโทโธถูกต้องไหมครับ ถ้ายังกลัวความตายอยู่ก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงความตายพยายามฝึกพุทโธให้มีสติเพื่อที่จะควบคุมอารมณ์มัดความกลัวไว้ให้ได้ก่อนถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้แล้วเราก็มาคิดถึงนาความตายเพื่อสอนให้ใจยอมรับความจริงให้ได้ถ้ายอมรับความจริงได้แล้วใจก็จะไม่ทุกกับความตายคุณชนาการครับ เวลาผู้หญิงเข้าไปปฏิบัติธรรมเวลาทานข้าวสามารถนั่งขัดสมาธิทานข้าวได้ไหมครับก็แล้วแต่สถานที่ว่าเขาจัดให้เป็นอย่างไรบางแห่งก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งบางแห่งก็นั่งกับพื้นวิธีนั่งกับพื้นที่เขาถือว่าเป็นเป็นท่าที่ที่เรียบร้อยก็คือนั่งนั่งนั่งคู่เพียกกันเราจะไม่นิยมนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินี้เราจะนิยมเฉพาะเวลาเรานั่งสมาธิ หรือเวล า, าสําหรับกินข้าวสําหรับผู้ชายเขาก็นั่งนั่งขัดสมาธิได้เวลากินข้าวแต่ผู้หญิงนี่รูสึกว่ า, าทำเนียมก็จะไม่ค่อยให้นั่งขัดสมาธิกันผู้หญิงนจะให้นั่งพะ เ, เพียเพื่อความสวยให้ได้ปกติไม่ค่อยได้ใส่บาตรพระแต่จะทําบุญด้วยการไถ่ชีวิตโครบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้บุญเหมือนกันไหมครับเหมือนกนกัเหมือนกันเป็นทานเหมือนกัน คุณเพิ่มศักดิ์ครับการได้บรรู้พระอริยะแต่ละขั้นคนที่ปฏิบัติจะรู้ตัวเองไหมครับรู้แต่เในเนื้ออาจจะไม่รู้จักชื่อว่าขั้นนี้เป็นชื่ออะไรท่าไหรแต่รู้ว่าตอนนี้เรากําจัดความกลัวตายได้แล้วกาจัดความกลัวเจ็บได้แล้วถ้ามาศึกษาดูในพระไตรปิฎกก็จะว่าอันนี้เป็นขั้นของพระโสดาบันถ้าเรากําจัดกวามอาร ม, ามได้หมดแล้วเราไม่มีความรู้สึกอยากจะร่วมหลับนอนกับใครต่อไป ก็มรุลุผลพระอนาคามีนะแต่จะไม่รู้จักชื่อจะรู้ว่าเบื่อลนะอนนี้เห็นหน้ากายของใครก็เห็นเป็นอับสืภอาไปหมดถ้าสวดมนต์ไม่ออกเสียงได้ไหมครับได้ดีสิ่อันสวดมนต์ถ้าสวดในใจได้ยังดีเพราะเันการเป็นการฝึกภาวนาไปในตัวเพราะต่อไปเวลานั่งสมาธิเราก็ต้อบริกรรมพุโทโธภายในใจไปคุณอาณัตครับ เวลาเราทำบุญบริจาคเงินแล้วระบุชื่อเราและครอบครัวคนในครอบครัวได้บุญด้วยไหมครับก็อยู่ที่ว่าเป็นเงินของเขาหรือเปล่าแล้วเขารับบุญด้วยหรือเปล่าถ้าเขารับรู้เขาฝากมาบอกช่วยทำบุญให้ด้วยเอาเงินนี้ไปทำบุญให้เขานี้เขาก็จะได้บุญแต่ถ้าเป็นเราทำบุญเป็นเงินของเราแล้วเราระบุชื่อกับครอบครัวไปที่เขาไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่เขาไม่ได้บุญหรอกเพราะเขาไม่ได้เสียสละอะไรก็ไม่ได้ให้อะไรจากการทำบุญของเรา เราเป็นคนให้คนเดียวคุณนนทวันครับขอคำแนะนาการนั่งสมาธิที่ถูกต้องเราต้องระลึกอะไรไหมครับต้องมีสติระลึลกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นนั่งหลับตาแล้วก็ใช้คำบาลรคำพุโทโธนึกแต่คำพุโทโธพุโทโธไปในภายในใจไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆอันนี้ก็วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็นั่งแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูก ไม่ต้องตามลมเข้าม่ต้องตามลมออกให้รู้อยู่ที่จุดที่ลมสัมผัสเข้าปลายจมูกเนื้อเนือบริเวณเหนือถึงฟีปากขึ้นมาก็าให้เฝ้าดูอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองต้องมีสติคอยกำกับใจให้ทำอะไรอย่างหนึง่งอย่างนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวใจมันจะมาหลอกเราได้ตเห็นเรื่องราว ต, ต่างๆที่มาหลอกเราได้คุณพิมพ์ครับได้ฟังธรรมครั้งนี้มีความคิดอยากบวชชี ไม่รู้จะกล้ารัทุกสิ่งได้ในเลยๆลยนี่ไหมครับไม่ลองก็ไม่รู้ต้องต้องลองดูคุณจิกกี้ถามว่าสวดมนต์แล้วต้องแผ่เมตตาเสมอไหมครับมันก็เลืเลือกกันการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราพบปะกันใช่นเวลาพบปะใครก็นิ้นให้เขาเรียเราแผ่เมตตาแสดงความเป็นมตรมีไมตรีจิตต่ตอกันเท่ากันเรียกว่าเมตตา ในถ้าดีก่อนถ้าอยากให้เขามีความสุขก็มีขนมมีของฝากอะไรมาก็แบ่งให้เขาบ้างนะเราแผ่เม่ตาการสวดบทแผ่เม่ตาเน้นเป็นการศึกษาเน้นเป็นการเตือนเน้นเป็นการสอนวิธีแผ่ไม่ตาว่าต้องแผ่อย่างไรบ้างแต่ไม่ได้แผ่การแผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ได้แผ่ด้วยการสวดคุณนําพรครับ ขนาดนี้มีชีวิตอยู่ไม่ฟังธรรมะเวลาจะเสียชีวิตญาติญาตินำธรรมะเปิดให้ฟังข้างหูจะไปสุขติภูมิได้ไหมครับก็ไม่รู้หละ ว, ว่าตอนนั้นถ้าฟังแล้วจิตบรรลุธรรมได้ก็จิตสงบได้ก็อาจจะไปได้ก็ได้มันไม่แน่นอ น, อนคุณทุมครับรักษาศีลสวดมนต์แล้วอุทิศบุญให้คนตายได้ไหมครับไม่อย่างที่บอกว่า การทํอย่างนี้มันมันเป็นของที่มันยังไม่ได้สมบูรณ์ผลมันยังไม่เกิดนะแต่อยากจะทิ่บุญให้ทาทานนะดีที่สุดได้แน่นอนรักษาสีนี่รักษาเท่าไหร่ถึ ง, ถงจะเกิดผลขึ้นมารักษาแค่ชัววนน่ว ว, นน ว, วันหนึ่งแล้วแลบวชบางคนก็บวชวันหนึ่งแล้วเสร็จอย่างนี้แล้วมันจะได้ไ ด, ได้ได้บุญมากเท่านั้นยังไม่ได้อะไรเลยคุณวิไลครับ ปฏิบัติศีลแปดที่บ้านเองเพราะสะดวกบ้านเงียบการถือศีลแปดถ้าตรงกับวันพระจะได้บุญมากกว่าวันธรรมดาไหมครับไม่หรอกบุญอยู่ ท, ที่อยู่ที่การรักษารักษามากรักษาน้อยไม่ได้อยู่ที่วันคุณโบวี่ถามบอกว่าเลี้ยงอาหารต่อผู้ยากไร้ถือว่าได้บุญเหมือนกันกบใส่บาตรไหมครับได้ได้บุญเหมือนกันนะได้ความสุขใจเหมือนกันเอ็นใจสุขใจ คุณอุ้มครับสอบถามวิธีการในการละกามราคะและปฏิฆะครับก็ต้องมองร่างกายให้เห็นสัด ส, ส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเช่นเห็นโครงกระดูกเห็นดับตายไส้ผูกเห็นลาไส้อะไรต่างๆเหล่านี้ในคือร่างกายของคนที่เราอยากจะไปร่วมหลับนอนด้วยนือ ม, มองให้เห็นร่างกายของคนนี้เป็นเหมือนซากศพไปถ้าแฟนเราตายไปคืนนี้เรายังจะเก็บไว้ที่บ้านนอนกับเาอยู่อเปล่า ถามตัวเราเองดีวสมมุติเนี่ยถ้าเกิดแฟน้ำามลร้หายใจถ้าคืนนี้จะขอร่วมนอนส่งท้ายกันอีกคืนไหมยือไม่เอาละนั่นเราจะละการมาคาทั้งลาแบบนั้นต้องเห็นอัุพาเห็นความไม่สวยงามตอนที่ร่างกายเป็นอะไรไปเนี่ยมนั้นร่างกายมันจะไม่สวยงามเวลาตายไปมนเวลาที่เขาจําละ เปิดเปิดเปิดอวัยวะต่างๆให้ดูพาพาศพาอะไรให้ดูเพื่อให้มาเห็นอวัยวะต่างๆของน่ายถ้าเราสามารถมองเห็นอวัยวะเหล่านี้ได้ในขณะที่เราเราจะไปโน้มน้าวเราคนนั้นเราก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้คุณวันศุกร์บอกว่าจริงไหมครับที่ทําบุญกับพระอารหันต์จะได้บุญกว่าพระทั่วไปครับมันเป็นคนละบุญอีกส่วนหนึ่ง การทำบุญให้ทานนี่เท่ากันไม่ว่าจะทำบุญกับใครก็ตามเช่นซื้อข้าวมาร้อยบาทแล้วถวายพระอาหารก็ได้เห็นสุนัขมันหิวเราก็ให้อาหารนั่นกับสุนัขไปบุญที่ได้ทำนี่เท่ากันมันไม่ได้อยู่ที่คนรับในบุญที่เราจะได้รับจากคนที่รับทานของเราที้มันไม่เหมือนมันน้บแต่ถ้าเราไปทำบุญกับพระอาหารแล้วมีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรม่างท่านเราก็จะได้บุญที่เกิดจากการฟังธรรม มันก็อาจจะทำให้เราบรรู้เป็นผ้ า, าหลานตามท่านก็ได้หรือถ้าถ้าเราไปทําบุญกับหมาเอาเข้าวให้หมากินหมามันก็จะเห่าขอบใจเราเราก็จะได้เท่านั้นเองอันนี้บุญนี้จะต่างกันบุญที่เราจะได้จากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยนี่จะต่างกันอยู่ที่ว่าเขามีอะไรให้เราผ้ า, าหลานก็มีธรรมะให้เราหมาก็มีเสียงเห่าให้เรานี่ก็ดิจังให้เราดูครับมันต่างกันตรงนั้น คุณชนรดาครับบอกว่าอยู่ต่างประเทศฝากคนที่ไทยถวายสังฆทานฝากคนฝากได้บุญได้อะไรส่งไหมอย่างไรครับเ้าก็ได้ในส่วนที่เขารับใช้เราไงเขาก็ได้บุญส่วนนั้นแต่เขาไม่ได้บุญจากการถวายสังฆทานเป็นบุญคนลยานกันคนที่ถวายคนที่จ่ายเงนินเพื่อให้ถวายสังฆทานเนี่ยเป็นคนนั้นเป็นคนได้บุญจากการทําทาน แต่คนที่เอาของที่เราฝากให้ไปเขาไปทำบุญให้เรานี่เขาได้จากการรับใช้ใเราช่วยเหลือเราเป็นบุญกุศลยา น, นถามว่าปฏิบัติธรรมบ่อยๆทำให้รู้สึกต่อเรื่องการน้อยลงไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกันไหมครับเกี่ยวเพราะถ้าเราจิตมีความสุขมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นความหวโหยในเรื่องการอารมณ์ต่างๆมันก็จะเบาบางลงได้แต่มันยังจะไม่หมด ไม่ได้หมดจากการถึกสตินั่งสมาธิเพียงเดียวมันจะหมดอย่างท้าวลก็ต้องเห็นว่าการมนลมนี้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเพราะเราควบคุมมันครับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ขอาการกับพระอาจารย์มีคนถามในทิกต ok เยอะว่าพระอาจารย์อะไรครับขอโอกาสครับพระอาจารย์สุ ช, ชาติอภิชาโตนะครับอย่างสังวรารามนะครับอยู่ในจังหวัดชนบุรีจังหวัดชนบุรี ได้ยินแต่เสียงครับ อ, นนอญญาจารย์อส <c oughs> ในกลุ่มเลาได้ <c oughs> ค, ครับคุณกิ๊กครับขอความเมตตาครับอยากเรื่องของผลและอนิสงส์ของการรักษาสีและทาทานพอจะเคยอ่านผ่านตา ม, มาบ้างอันนี้พอจะเข้าใจได้เพราะมองเห็นเพราะเห็นผู้ให้ผู้รับชัดเจนแต่การภาวนาวิปัสนาธุระยังเพิ่งเริ่มต้นปฏิบตัติอ่านหรือฟังธรรมมาบ้างแต่มองไม่ออก ว่าทำไมการที่เราภาวนาแล้วได้ผลอนิสงส์นั้นเองแล้วถึงได้บุญมากที่สุดหรือในทางพระพุทธศาสนาแล้วนอกจากเราแล้วมีใครได้รับผลจากการภาวนาของเราด้วยอีกหรือเปล่าครับส่วนงานการปฏิบัติเนี่ยมันของเราทั้งหมดนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะคนอา จ, จะโมเนี่ยจะได้ผลข้างเคียงเช่นถ้าเรารักษาศีลเราก็จะไม่ไปทำให้ผู้อื่นเเดอดร้อนนแต่การรักษาศีลนี้จะให้เรามีความสุขเพราะว่าเรา ในความสบายใจเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเมื่อเราไม่ทําอะไรผิดใจเราก็จะไม่มีตกกังวลไม่หวาดกลัวกับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทําผิดอันนี้ก็เป็นความสุขอย่างนึงที่เกิดจากการรักษาศีลการกทาทานมาทำให้เรามีความรู้สึกสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือคนใดคนหนึ่งที่เขาอาจจะตกทุกข์ได้ยากเหือดร้อนหรือขาดแคลนไม่ต้องการความช่วยเหลือในบางสิ่งบางอย่างแล้วเราให้ความช่วยเหลือเข้าไป มันก็ทําให้เราเกิดความสุขขึ้นมาอีกอยอ่างท่านบอกว่าศีลความสุขของทานนี้มันน้อยกว่าความสุขของศีลแล้วความสุขของศีลจะน้อยกว่าความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติภาวนาเพราะการภาวนา น, นี้จะทําทให้จิตสงบจิตสงบแล้วจะเกิดความสุขที่มากที่สุดคือสรุปแล้วทุกการกระทำทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความสุขทางใจอยากจะมากจะ น, น้อ ย, อยนี้อยู่ขึ้นกับ กกับบรระดาาาต่งงๆขอคุณหมีครับเมื่อเราทำสมถกรรมฐานพอทราบเหตุทุกข์และความเที่ยงความความเที่ยงเหตุทำไมถึงน้ำตาไหลตลอดเวลาครับเวลาทำสมถกรรมฐานครับมันก็เปนะ่า <c oughs> จะเป็นจรินิสัยของเราที่เกิดความประทับใจทราบซึ้งใจอย่างใดอย่างหนึ่นงก็เลเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมา ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องไปกังวลแลว้วก็ขูดยายมันอาจจะไม่ผลขัางเคียงนี่อจะเกิดขึ้นมาได้แผลที่เราต้องการจากการภาวนาก็คือความสงบอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการพยายามให้เข้าสูความสงบให้ได้เพราะเป็นความสงบ เ, เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายทั้งปวงคุณอำพรครับเวลาตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ญาติๆไปเคาะโรงศพผู้เสียชีวิตให้ฟังพระวิญญาณผู้เสียชีวิตได้รับฟังไหมครับไม่ได้รับหรอกวิญญาณไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้คิดถึงความตายเป็นปกติอันนี้ผิดไหมครับไม่ผิดหรอกเป็นการเจ ร, ริญบารมีสติเป็นการปฏิบัติเจริญปัญญาคุณแคทครับการที่เรานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทุกวัน เราจะเช็คหรือสังเกตตัวเองอย่างไรว่าก้าวหน้าถึงไหนครับก้าใจเราเย็นขึ้นมากขึ้นมรน่อยๆเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติแล้วใจเราเย็นขึ้นอาการอารมณ์ที่วูบวาบน้อยลงไปอารมณ์โกรก็ช้าลงโกรธยากขึ้นโน้มยากขึ้นถือว่าเราก้าวหน้าคุณสุดาพลครับอยากให้หลวงพ่อแนะนํา ควรทำยังไงถึงมีชีวิตอย่างมีความสุขครับก็ทำบุญตามคำสอนของพระเจ้านให้ทำบุญทาทานแล้รักษาศีลแล้วก็ให้ภาวนาคุณสุธารัตน์ครับอยากจะเรียนถามบุญที่ทำแล้วได้อานิสงส์มากที่สุดทำกับอะไรเจ้าคะคำถามที่สองสมาธินั่งได้ไม่นานแต่เวลาทำอะไรใจนิ่งเกิดวิตติอย่างนี้ใช่สมาธิไหมครับ มันก็จะเรียกว่าสมาธิแบบหยาบๆก็ได้แต่ยังไม่สมาธิแบบที่ที่ที่สูงสุดที่เต็มที่สมาธิที่เต็มที่มันจะเป็นความรู้สึกมหาศาลใจที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนส่วนทำอะไรอันนี้สงมากที่สุดการที่จะได้ที่ส่งมากที่สุดก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์การกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจเนี่ยจะได้อันนี้ส่งมากที่สุด ถ้าเราสามารถกำจัดความโลภ ก, ก่ ล, ลงให้ไม่หมดสิ้นไปจากใจ น, นั้นแหละคือเป็นความสุขที่สูงสุดเป็นบนที่สูงสุดเทวดาประจําตัวมีจริงไหมครับสําหรับบางคนอาจจะมีก็ได้บางคนอาจจะไม่มีก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องมีทุกคนแต่ส่วนใหญ่ตามตามตาม น, นิสงฆ์ของของความเมตตาผู้ที่มีความเมตตามักจะมีอ น, นิสงฆ์มีเทวดาคุ้มครองรักษา กุณฑลธรรมครับเราสามารถสวดบทชุดธรรมวัดเช้าในตอนเย็นค่ำได้ไหมครับส่วนตอนไหนก็ได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเพียงแต่รูปแบบที่เขาจัดขึ้นมานนนทั้งนึงการสวดมนต์เป้าหมายก็คือการเจริญสติสวดได้ทั้งวันทั้งคืนทุกเวลาเช้ากลางวันเย็นบ่าย ไ, ได้ตลอดเวลาส่วนบทไหนก็ได้คุณทิพย์ครับเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งขอวิธีคิดให้ไม่เป็นทุกข์ครับ ก็คิดว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเร่างกายเป็นคนรับใช้เราเราได้ร่างกายมาจากพ่อแม่แล้วเราก็ใช้ให้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับเราเราเป็นผู้สั่งคือเราคือใจผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายร่างกายมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมันเมื่อมันเกิดแล้วมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมดาของทุกขร่างกายไม่มีข้อ ย, ยกเว้นแม้แต่ร่างกายของหมอก็เหมือนกัน นั่นลายของบอกว่ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีใครที่จะหนีพ้น ค, ความแก่ความเจ็บความตายไปได้แต่ให้รู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราเนั่นไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ห้ามมันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันเราก็ปล่อยให้มันแก่เจ็บตายไปเวลาถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน พอรครับนั่งสมาธิแล้วเห็นว่าตัวเองกําลังนั่งสมาธิอยู่คืออะไรครับก็เราไม่ได้ดูลมแล้วใส่ไปดูอย่างอื่นแทนแก็กลับมาดูลมแล้วกลมาที่พุทโธอย่าไปดูอย่างอื่นให้ดูให้ดูที่ลมดูที่พุทโธถ้าเราใช้พุทโธก็อยู่กับพุทโธไปถ้าเราดูลมก็ดูลมไปอย่าไปสนใจกับเรื่องอย่างอื่นที่ปรากฏให้เรารับรู้ ผู้สูงอายุไม่เคยปฏิบัติธรรมมีวิธีเตรียมตัวก่อนตายอย่างไรครับก็ยอมตายแนี่สุด้ายยอมตายแล้วก็จบยอมตายคุณภาวินีครับข้อที่หนึ่งครับศาสตร์ของสิ้นแสมีจริงไหมครับในการปรับห่วงจุย้ยครับอันนี้ตอบไม่ได้เพราะไม่รู้จักไม่เคยเศึกษา ข้อที่สองพระอาจารย์เคยสอนว่ากายไม่ใช่ของเรามีแต่จิต ท, ที่เป็นเราให้แยกกายออกจากจิตถ้าหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งร่างกายเป็นมะเร็งจิตไม่ได้เป็นมะเร็งแต่อยากทราบว่าเราจะสามารถฝึกแยกจิตออกจากกายเพื่อไม่ให้รู้สึกเจ็บปวดได้อย่างไรครับก็ต้องฝึกตสก ต, นตนนนกินั่งสมาธิฝึกสติทั้งวันทั้งคืนแล้วก็มีเวลาที่นั่งได้กนั่งสมาธิสลับกันไป เป็นการจิตจะสงบเมื่อจิตสงบแล้วจิ ต, ก, จตก็จะแยกออกจากร่างกายได้ถ้าอยากมีลูกดีตั้งแต่เกิดต้องทํำยังไงครับมันเป็นไปไม่ได้เราเพราะว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นอนิจจามันไม่แบบน่นอนเหมือนก็อยากจะถูกว่าต้องเี้ยงราวันที่หนึ่งมันเป็นไปได้บันนี้ก็บางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกก็เหมือนกันอ ย, อยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้อย่าไปอยาก ว่าบางทีมันจะไม่ได้ดังใจอยากแล้วมันจะเสียใจถ้ามันอยากจะทุกข์ก็ยินดีตามมีตามเกิดคุณเที่ยวไปเรื่อยครับหลวงตาเคยสอนธรรมะพระอาจารย์ตัวต่อตั ว, ตวหรือพระอาจารย์ถามปัญหาการภาวนานเล่าให้หลวงตาได้ฟังบ้างไหมครับหรือพระอาจารย์ปฏิบัติเองรู้เองครับส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติเองแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมหลวงท่านส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปมีโอกาสได้ไปสนทนาธรรมกับท่านตัวต่อตั ว, ตว เวลาฟังก็คือฟังรวมกันเลยใช่ไหมครับฟังรวมกั น, นบางทีบางครั้งถ้าบางทนไปปอนนี้บนนางท่านอาจารย์อยพูดธรรมะอะยให้ฟังบ้างถ้าถือศีลแปดแล้วใช้โทรศัพท์ถือว่าผิดศีลแปดไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราใช้เพื่ออะไรถ้าเราใช้เพื่อเพื่อกิจที่จําเป็นเช่นไม่สบายตรงนี้รถแท็กซี่มารับเอาไปหาหมออย่างนี้มันก็ไม่ผิด ถ้าใช้มาเพื่อสนทนาเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเพื่อเราจะได้ไม่เหงาอย่างนี้นี่ก็ผิดเพราเราอย่างเสดรูบเสียงเสด ร, รูปเสียงกลิ่นรอดอยู่คุณโหงครับถ้าจิตเราเคยปราบมาพระสงฆ์บางรูปแต่อยากขอขมาซึ่งท่านไม่อยู่แล้วควรทําอย่างไรครับก็ไม่ต้องทําอะไรก็สอนใจว่าอย่าไปปราบบ้านไข่ทั้งนั้นเรามาเป็นบทเรียนสอนแล้วว่าอ การปลามาถูกเหมืนนี่มันไม่ควรเนอะเขาจะดีช่วยไงก็เป็นเรื่องของเขาแล้วถ้าเกิดเขาเป็นคนดีแล้วไปปลามาถูานี่มันก็ยิ่มันก็จะทําทให้มันเร า, าโง่เงมันจะแสดงความโง่ของเราท่นเองเวลาเจอคนที่ว่าเราคิดไม่ดีกับเราเราแผ่เมตตาในใจได้ไหมครับได้เรายอมรับเลยถือว่านี่คือความสุขของเรา ถ้าเขามีความสุขจากการพูดไม่ดีกับเราเราก็ยินดีเขาพูดสุขียตานันตบริหารันตุอยากให้เขามีความสุขถ้าความสุขของเขาคือการดา่าเราก็ปล่อยเขาด่าไปครับเช่นบางทีภรรยาเราชอบด่าเราเนื้อใช่ไหมแต่เราเป็ภรรยาเรนะาก็ก็อยาจะด่าก็ปล่อยเขาด่าไปเราก็ฟังไปถ้าก็ามีความสุขเราก็จะได้มีความสุ ข, ขกับเขาคไม่เ ค, ย, คยด่าไม่เคยโดนเลย คุณต้าครับค า, ารวาสสามารถที่จะทําสมาธิจนถึงขั้นระดับชาญได้ไหมครับแล้วมีวิธีปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อได้สมาธิระดับชาญได้อย่างไรอย่างน้อยต้องปฏิบัติวันละกี่ชั่วโมงแนละต้องวางใจได้ฝึกจิตแบบไหนถึงจะสามารถทําได้ครับคือทําได้ทุกคนน่ยผู้หญิงผู้ชายนักบวชเลี่ยค า, ารวาสเนี่ยถ้ามีสติเน้นผลจะได้มากได้น้อยอยู่ที่สติของเรามีมากมีน้อย ต่อเนื่องกันมากน้อยอะไรถ้ามีสติต่อเนื่องไม่เผลอเลยใจไม่วาาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สักแต่ว่ารู้อยู่กับเรื่องที่เรากําลังดําเนิน อ, อยู่เพียงอย่างเดียวอย่างนี้เวลามานั่งสมาธิใจก็จะสง บ, บได้ถ้าจะต้องปฏิบัติก็ทําให้เต็มที่ให้ได้ให้ได้มากที่สุดท้าที่มากได้ถ้าต้องการผลเลิก็ต้องการปฏิบัติก็ต้องมีมากปฏิบัติเต็มร้อยนี่ก็คือ ยเว้นเวลาหลับท่านะตั้แต่ตื่นจนหลับให้มีการปฏิบัติสติกับนั่งสมาธิสลับกันไปคุณประทวนครับทําบุญให้แม่ที่เสียอยู่เชียงใหม่ไกลกันแม่ได้รับไหมครับได้หรือยังไงก็ถ้าถ้ารอรับอยู่ท่านก็ได้แต่ถ้าท่านไม่รอรับอยู่ท่านก็ไม่ได้อยู่ที่ที่ว่าท่านต้องการบุญองของจากเราหรือไมบางทีท่านมีบุญพอท่านก็ไม่มารอรับบุญของเรา คุณกกครับจะวางใจอย่างไรให้กับจิตสุดท้ายฝึกก่อนตายครับทำใจให้นิ่งนะทำใจให้นิ่งคุณสราวุธครับอดีตเคยทำสิ่งไม่ดีและเป็นบาปมาก่อนจะทำยังไงจึงจะหายทุกใจจากบาปนั้นได้ครับก็ยอมรับเสียยอมรับว่าวิบากกรรมมันต้องเกิดแล้วอยอมเตรียมตัวทําใจแล้วยอมรับมันใจก็จะไม่ทุกข์กับมันยอมหยุดเย็น ถามยอมรับอะไรที่จะเกิดกับเราอย่าไปต่อต้านอย่าไปหาวิธีหลบหล่งนี้ทําไม่ได้พอเรายอมแั้นเราหยุดการการต่อต้านเราก็จะใจเราก็จะเย็นใจเราก็จะสงบคุณนัทครับนิพพานเป็นสภาวะแบบใดเคยกายทิพย์หลุดเข้าไปมีครูบาอาจารย์อยู่ที่นั่นเยอะมากทําไมไม่ตรงกับตําราครับ มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนิพานก็คือใจที่บริสุทธิ์เนี่ยใจเราตอนนี้มันไม่บริสุทธิ์มันมีโลกกด ล, ลงพอเราเป็นปฏิบัติจิตตภาวนาชําระโลภกด ล, ลงให้หมดสิน้นไปจากใจใจเราก็เป็นนิพานขึ้นมามันไม่ได้เป็นสถานที่มันเป็นสภาพของจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์คุณเต้เตครับทํากับข้าวเองใส่บาทกับซื้อของใส่บาทได้อันนี้สงบุญเท่ากันไหมครับ ก็ได้เหมือนกันถ้ามันอยู่ที่จำนวนการเสียสละทรัพย์ของเราว่าเสียมากเสียน้อยถ้าเสียเท่ากันมันก็ได้บุญเท่ากันเราจะทำจิตใจให้สงบนิ่งต้องทำอย่างไรครับต้องมีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นลองหายใจแรืวอยู่กับคำอะไรคำพุทโธจิตก็จะสงบนิ่งได้มีความสงบได้ คุณวิไลครับมันคิดว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงมันคิดประจําวันหลายๆรอบทําถูกต้องหรือไม่ครับก็ต้องทำไปรังกาดใจเราไม่ทุกข์กับความตายถ้ายังทุกข์อยู่ก็ยังไม่ถูกต้องทําไปเรื่อยๆจังกัาใจยังไม่ทุกข์กับความตายยอมรับความตายได้บางทีคิดอย่างเดียวมันอาจจะไม่พออาจจะต้องไปนั่งสมาธิด้วยถึงจะช่วยทําให้เรายอมรับความตายได้ ถ้าไม่นั่งสมาธินี่กิเลสตถาหามันจะต่อต้านมันจะไม่ยอมตายก็อยากจะให้ยอมรับความตายได้ต้องฝึกสมาธิให้จิตนิ่งสงบเพอาะตอนนิ่งสงบกิเลสตถาหามันจะออกมาต่อต้านไม่ได้แล้วมันก็จะทําให้เรายอมรับความตายได้ใจเราก็จะไม่ทึ่งกับความตายคุณโอเลฟครับอยากทราบว่าถ้าคนตายระลึกพุโทโธก่อนตายแล้วเขาจะได้ไม่ลงอบายภูมิใช่ไหมครับ ก็ไม่แน่หรอกแล้วแต่ว่าบาปมือมุ่ของเขาที่มีอยู่ในใจมีมากอะไรมีมากต่อกันถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปก็ยังหนึ่งไปส่วบายได้คุณเที่ยวไปเรื่อยครับตอนพระอาจารย์ภาวนาที่บ้านตาดเจออากาศร้อนๆหรือหนาวจัดพระอาจารย์ทนได้อย่างไรหรือมีวิธีแก้อย่างไรเพราะเคยเห็นกุฏิพระในบ้านตาดส่วนใหญ่เป็นแค่ไม้ไผ่ธรรมดาหรือไม่กระต๊อบไม่มีฝาผนังหรือมีแค่ผ้าจีวรปิดเท่านั้นครับ ก็การปฏิบ <how> ัติธรรมนี้แ่ะมันจะทําให้ใจเย็นไม่ว่าอากาศจะร้อนมันจะหนาวใจก็จะไม่ไม่เดือดร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศเพราะการเปลี่ยนแปลงของอากาศก็การเปลี่ยนแปลงของเวทนานี่จากสุขจากสุขไปเป็นทุกข์จากสุขไม่อยากทุกข์ไปเป็นไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เป็นไปเราปฏิบัติเพื่อสอนใจให้ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของเวทนาเท่านี้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับมัน อาจารย์ครับตอนนั้นหนาวมากก็มีช่วงเคยอ่านหนังสือบอกอุณหภูมิต่ำมากเลยใช่ไหมค ร, ครับที่อุดรอะไม่หกลุกคิดวกาโอ้องศาปีหนึ่งไปจำได้ตอนนั้นก็นั่งคุมปองแล้วนั่งสมาธิตอนตั้งเวลานั่งไปสั่นหรอว่จิตเริ่มสงบแล้วมันก็หายสาั่นนอนไม่ได้นอนไม่หลับพนอนแล้วมันหนาวมนหนาวผ้าห่มมี ผมก็นอนกย็ยังหนาวอยู่แล้วต้องลุกขึ้นมานั่งขมปองแล้วก็นั่งสมาธิไปตอนช่วงนั่งบ่ายๆในความหนาวมันยังจิตยังไม่สงบ ม, มันก็ยังสั่นอยู่ แ, แต่พราะจิตเริ่มสงบแล้วอาการสั่นของจิตก็จะหายจิตนิ่งสงบแล้วก็ไม่เหลืนอน้อนกับความหนาวของอากาศคุณนกครับ ขนาดทําสมาธิภาวนาใจเผลอไปคิดเรื่องอื่นแวบๆบแบบจะทําอย่างไรให้จิตรวมเป็นหนึ่งครับอันนี้เราต้องพยายามฝึกสติให้มากไม่ใช่จะมาฝึกแต่ตอนที่เรานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวมันไม่พอต้องฝึกไว้ก่อนฝึกไว้มากๆตั้งแต่ต่นขึ้นมาเราควรจะฝึกฝึกสติไปทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าอยากจะได้ผลเราต้องไม่ทําไม่ไปทํางานไม่ยุ่งเกี่ยวใครให้มีเวลาว่างสาหรับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียว แล้ก็พยายามจารใสติตลอดเวลาอย่างนี้เราจะมีโอกาสที่จะทําให้จิตเราสมดได้คุณโอ๋ครับการถวายสังฆทานจะต้องเป็นการถวายทานแก่พระสงฆ์สี่รูปขึ้นไปหรือไม่ปัจจุบันการถวายสังฆทานที่วัดจะมีพระสงฆ์เพียงรูปเดียวถือเป็นการถวายสังฆทานหรือไม่ครับคือถ้าแต่ว่าของที่เราไปถวายนั้นพระท่านจะเอาไปใช้คนเดียวหรือเอาไปแบ่งกัน อ้าเอาไปเป็นสมบัติส่วนกลางของพระทุกรูปที่อยู่ในวัดมันสามารถเอาไปใช้ได้ในนี้ก็เป็นสังฆทานแต่ถ้ารับเป็นร่าของใครของมันมันจะมีพระสงฆ์มาเกี่รูปมันก็ไม่เป็นสังฆทานอยู่ดีเพราะมันเป็นของใครของมันเห็นแต่ว่าเขาอ้างว่าการถวายพระสี่รูปนี้เป็นเป็นสงการที่จะเป็นสงได้ีต้องมีพระอย่า ง, งน้อยอยู่ร่วมกันสี่รูปขึ้นไปถ้าอยากจะเป็นสังฆทานก็ต้องถวายให้ครบทั้งสี่รูป ท่านจะได้แบ่งกันได้ของใครของวันไปนี่ก็เป็นสังฆทานแต่ความเป็นจริงการถวายสังฆทานมักจะถวายให้เป็นสมบัติส่วนกลางของวัดเช่นเวลาสร้างกุฏินี่เราไม่ได้สร้างถวายให้ภาพลุ่มใดรูปหนึ่งสร้างให้เป็นของสงฆ์ใครภาพรุร่มใดลุ่มหนึ่งก็มาอยู่ใช้ได้ศาลาก็เหมือนกันอะไรของเหล่านี้เราสร้างเพื่อถวายเป็นส่วนกลางเป็นสมบัติส่วนกลางเอาสองสนี้ก็คือสมบัติส่วนกลางนี่เอง แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเช่นว่าป่ากม่านตาในเวลาถอยของที่ดวงตาจะเป็นคนรับรูปเดียวแต่ของที่รับล้วดวงตาแล้วก็พาดเข้ามาันรับตอบมาแล้วก็ไปจัดเก็บไว้ตามตามที่สมควรนะใครต้องการอะไรก็ไปหยิบเอาเองได้ไม่ต้องมาขอด้วยญาตพวกสบูยาซีฟันอะไรต่างๆนี่ก็ยังมีที่มีตู้เก็บไว้เวลาใครต้องการสบูยาซีฟันก็ไปหยิบมาใช้ได้เลยอันนี้อันนี้นนก็เป็นสังกฐานเราไม่ได้ถือว่าเป็นของใครของ รูปใดรูปหนึเป็นของส่วนมองทุกคนได้อยู่ในวัด น, นี้มีสิทธิทจะสามารถนาไปใช้ได้คุณแมลงปอครับใส่บาตรไม่ได้กรวดน้ําแต่อุทิศในใจได้ไหมครับได้การกรวดน้ํามันไม่จําเป็นการอุทิศเนี่ยสําคัญกว่าถ้ากรวดน้ําแล้วไม่อุทิศมันก็ไม่ได้มันก็มันก็ไม่ได้อุทิศ การกดน้ำนี่เป็นเพียงแต่เป็นพิธีกรรมเป็นเป็นเหมือนกันเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าน้ำที่เราอุทิเทนนี่เป็นเหมือนบุญที่เราเทจากใจเราไปสู่ใจของผู้รับอีกทีหนึ่งนั้นเองคุณแม็กครับเรื่องการถวายของพระพุทธรูปถวายของรูปหรือรูปเหมือนต่างๆไม่ได้เป็นการทําบุญเลยใช่ไหมครับเป็นการบรรทานอย่างหนึ่งไงถวายพระพุทธรูปหนึ่งเราก็ต้องเสียเงินเสียเท่าไปเส้ยมา แล้วก็อาไปถวายวัดเอาลงทีวางวัดเขาไม่มีพระอุทานุกเขาก็อยากจะได้เพราะฉะนั้นมีไว้ที่ไปที่กราบไหวบูชาแต่บางวันเขาอาจจะไม่ไม่สนใจเรื่องทางวัดถึงเขาอาจจะ เ, เขาก็อาจจะไม่ต้องการและไม่ยินดีและไม่สนับสนุนก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ละวัดแต่ก็ได้เงินเหมือนกันเพราะเราต้องเสียเงินเจสียทองเพื่อไปซื้ออุทานุกมามาถวายให้กับวัด ในเซนนี้เขาเหมือนกับจะถวายของแบบน้ําถวายอาหารให้พระกุฏลูกรหรือลูก ป, ปั้นลูกเหมือน อ, อย่างเงี้ยอาจารย์ไ ม, ไม่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยพระรกุทธลูกเพราะพระกุฏรูกก็เป็นแค่วัตถุไม่รู้เรื่องไม่รู้ราไม่ได้รับประโยชน์จากการถวายของเราเป็นๆางเรานี้ก็จะไม่ได้บุญไม่ได้ไม่ต้กุญส่วนไม่ได้ฐานเลยคุณเพญครับบอกว่าเปิดฟังบทสวดจั ก, กพัทจนหลับ ดีไหมครับอยากจะลองฟังสวดแผ่เมตตาบ้างดีไหมครับก็อยู่ที่ว่าเราฟังเพื่ออะไรถ้าฟ uh> no e si ังเพื่อหลับมันก็ได้ผลถ้าเราฟังเพื่อสมาธิมันก็จะไม่ได้สมาธิเพราะเราหลับอันนี้ว่าดีไม่ดีก็อยู่ที่ว่าคุณต้องการอะไรถ้าต้องการปัญญาตอนหลับก็ดีฟังแล้วนอนหลับได้ถ้าไม่ได้ฟังแล้วนอนไม่หลับองนี้ก็ถือว่าดีการฟังวันจะทำใวลเราหลับแต่ถ้าเราต้องการสมาธิอย่างนี้ก็ไม่ดี ถ้านั่งนอนฟังแล้หลับไปมันก็ไม่ได้สมาธิถ้าอยากจะได้สมาธิต้องลุกขึ้นมานั่นแล้วก็ไม่หลับอยเงี้ยก็อาจจะใจก็อาจจะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาก็ได้คุณสุริยาครับเขา อ, อุบายวิธีการปฏิบัติตัวให้คุณยายด้วยครับพอดีท่านเกิดอุบัติเหตุขาหักและกา็ขอพอให้หายจากการเจ็บป่วยในครั้งนี้ด้วยครับคือเราเป็นเด็กเราเประสานผู้ใหญ่ไม่ได้หรอก บางทีนอกจากท่านสามเราว่าทํายังไงปฏิบัติอย่างไ ร, รค่อยบอกได้แต่ถ้าอยู่ดีๆอย่าไปสอนคุญยายสอนผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทําอย่างนั้นทางนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งสําหรับผู้น้อยที่ไปสอนผู้ใหญ่ทําอย่างไรให้กลับมาใจเย็นได้เหมือนก่อนครับเมื่อก่อนเป็นคนใจเย็นครับก็ฝึกสตินั่งสมาที่มาให้มากขึ้น คุณแนนครับทําสมาธิโดยไม่สวดมนต์ได้ไหมครับแล้วที่เขาบอกกันว่าสวดมนต์แล้วจะมีเทวดาและวิญญาณต่างๆมาอนุโมทนาจริงไหมครับไม่จริงหรอกการสวนมนตเทวดาเขาไม่มีเวลามานั่งคอยอนุโมทนาบนญใหก้กับเราหรอกเพราะว่าเราไปหาหาความสุขของเขาอยู่อันนี้เป็นความเชื่อท่านเองส่วนเวลา น, นั่งสมาธิโดยไม่สวดมนต์ก็นับทําได้ถ้าเรานั่งสมาธิดได้เลยก็ไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้ คุณมานีครับเมื่อเป็นพระอรหันต์เข้านิพพานแล้วไม่กลับมาเกิดจิตหรือกายทิพย์สลายไปเหมือนอากาศหรือไม่ครับไม่สลายก็ยังอยู่เหมือนเดิมวิญญาณธาตรู้นี่ยังเป็นธาตุมันยัอยู่ต่อไปมันไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่มันจาก่าตุรู้ที่ไม่สอาดมาเป็นา่าตุรนที่สอาดเหมือนเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าที่สกงเปกแล้วก็ไปซักใช่ไหยพอซักเสื้อผ้าสอาดแล้วเสื้อผ้าละล ะ, ละลายหายไปด้วยหรือเปล่เสื้อผ้าก็ยังอยู่ สิ่งที่หายไปก็คือคราบ ส, าบสกรปรกที่ติดอยู่ในเสื้อผ้ายิ่งได้ความโลภโกรธหลงนี่คือว่าเป็นเป็นคราบสกรปรกของใจพอเราชำระชำระนี้ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนาจิตตะภาวนาได้แล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์ใจก็ยังอยู่เหมือนกับเสื้อผ้าไม่ได้สลายหายไปใหนคุณวาริพรครับพระอาจารย์หนูขอหนูขายของตอนเช้าพระท่านเขา เขาของในบาทแลกกับของที่หนูขายเอาของที่อยู่ในบาทแลกมานะครับแต่หนูไม่กินของท่านเอาไปให้คนอื่นต่อรู้สึกทุกข์ใจมากรู้สึกมันไม่ถูกต้องหนูจะบาปมากไหมแต่หนูไม่เต็มใจกับสิ่งที่ท่านทำเลยตัดปัญหาใส่บาต ท, ท่านและบอกท่านว่าไม่ต้องแลกค่ะแต่ท่านก็ยังทาเลยนึกถึงคำหลวงตาถ้าเกรงใจคนทาก็แหลกหนูเลยไม่ใส่ไม่มองท่านเลยอย่างนี้ถูกไหมครับ คือย่าไปเกี่ยวข้องกับท่านเลยคุนดี่าเพราะว่าท่านไม่ได้มาบินตาตเพื่อหาอาหารก็ทั้งชีวท่านมาหาเงินทองซึ่งเงินทองเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะเอาไปทำอะไรต่องั้นก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับท่านใดก็ได้ไม่บาปเลือกใส่บาศกับภาพที่เป็นภาพที่เป็นภาาจริงจริงดีกว่าอย่าไปใส่บาศกับภาพที่ใช้การบินตาตเป็นวิธีหาเงินหาทอง คุณแม่ตูนบอกว่าใส่บาตรทุกเช้าอุทิศให้ผู้ล่วงลับไปแล้วตัวเราได้บุญไหมครับได้ส่วนใหญ่จะเป็นของเราบุญส่วนใหญ่จะอยู่กับเราบุญอุทิศนี่เป็นส่วนเซี่ยวหนึ่งของบุญที่เราแบ่งไปเท่านั้นเองคุณพรพันธ์ครับการที่เราเห็นจิตเห็นความคิดเห็นกายแยกออกจากกันมีผลต่อเจริญปัญญาหรือไม่อย่างไรครับก็ต้องอยู่ที่ว่าเราเห็นแล้วเราหยุดความโลภโลกรธลงได้หรือเปล่า ถ้าเรายังละความโลภโกรธหไม่ได้จะเห็นอะไรก็ไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นที่สำคัญการเห็นนี้เพื่อให้เราหยุดความโลภความโกรธความหลงเนหยุดความยึดมั่นถือมั่นได้หรือเปล่าไม่สบายแล้วอธิษฐานว่าถ้าหายจากโรคร้ายมะเะร็งอ่าแล้วจะไปทำอย่างนุน้นอย่างนี้มีโอกาสจะหายไหมครับอาจารย์ครับ ถ้าหายก็ดีนะไม่ต้องไปมีหมอมีโรงพยาบาลให้เสียง <c oughs> เสียงเสียงเสียงทำแบบครับคุณแนนครับถ้าเราบวชชีแล้วพ่อแม่ได้อนิสงไหมถ้าพ่อแม่เฉยๆกับเรื่องนี้ครับพ่อแม่ก็เฉยๆก็ไม่ได้เลยถ้าพ่อแม่แสดงความยินดีก็พ่อแม่ก็มีความสุขก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบุญที่กิดจากการอนุมโมทนาถ้าพ่อแม่ไม่ยินดีก็จะไม่ได้อนุมโมทนา เพราะแม่กัะยังไม่ได้ความสุขอาจจะทุกข์ใจที่เห็นเราไปเป็นบวชชีก็ได้อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นความผิดของเรามันเป็นความผิดของท่านเองที่ท่านอยากให้เราเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่เป็นตามที่ท่านอยากมันก็เลยทำให้ท่านทุกข์ใจอันนี้ไม่ได้เป็นความผิดของเราเป็นความผิดของท่านที่ไปมีความอยากในตัวเราเหมือนกับพอพระพุทธเจ้าก็ทุกข์ใจเพราะพระพุทธเจ้าไปบวชเนี่ย เวลาเหนื่อยเหนื่อยนอนสวดมนต์ได้ไหมครับจะาสวดในท่านไหนก็ได้นะนะปัญหาคือถ้ามันสวดในท่า น, นอนมันก็จะหลับเหมือนกันจะไม่ได้ความสงบแต่การสวดมนต์คุณประชาครับถ้าตัวเราพยายามนั่งปฏิบัติธรรมมากๆจะมีโอกาสกลายเป็นการทรมานตนเองสุดโต่งหรือไม่ครับควรจะใช้อะไรเป็นตัวกำกับครับอ๋อการพอาะแบบสุดโต่งนี้ก็คือ การทรมารร่างกายโดยไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการภาวนาไม่มีการปฏิบัติธรรมเลยเพียงแต่ทรมารร่างกายไปอย่างเดียวไอ้นี่เรียกว่าสุดโตกแต่ถ้าการทรมารเพิ่มเป็นการเป็นการเป็นเครื่องมือในการที่จะทําให้การปฏิบัติธรรมของเราดีขึ้นมัุษย์ทำได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการสุดโต่งบางทีก็ต้องไม่กินไม่กินข้าวเย็นอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าสุดโตก บางคนก็เห็นว่าไม่กินข้าวแล้วมันทําให้ภาวนาดีก็บางทีก็อดข้าวทีละสองสามวันก็ได้อย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการสุดโตง่งถ้าเป็นการทรมานร่างกายเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติทางธรรมพิจารณาข้าวหน้าแต่ถ้าปริมาณว่าทรมานร่างกายแล้วไม่ปฏิบัติทำเลยอย่างนี้นเรยกว่สุดโตง่งยังไปทรมานให้มันเสียเวลาเบาๆคุณชัดสิการครับ การที่คนเรายอมรับและการอยู่กับความเจ็บป่วยได้จนคลายความกลัวได้ถือว่าเป็นหลักปฏิบัติข้อไหนครับก็เนี่ยแหละก็ข้อที่เราพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นไม่ของไม่เทียงมันต้องเจ็บคข้ได้ป่วยเป็นธรรมดามัน็นชั้นปัญญาใส่บาทกับโอนเงินไปให้วัดที่กำลังก่อสร้างได้บุญเท่ากันไหมครับถ้าจะดเงินเท่ากันกได้บุญเท่ากัน คุณเปิ้ลครับเวลาที่ขี้เกียจสวดมนต์ที่ห้องพระสวดมนต์ที่ห้องนอนแทนได้ไหมครับช่วนที่ไหนก็ได้คุณโอลิฟครับอยากทราบว่าเวลาทําสมาธิจเจริญสมาธิด้วยพุทโธระลึกรูปเหมือนพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับไม่หรอกก็เรื่องแต่คำคำคำว่าพุทโธในใจเราไปก็ได้ก็พอไม่า้องนึกถึงรูปอะไรทั้งสิน้นให้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปแคอย่างเดียว คุณหงครับบวชชีแบบโกนผมกับบวชชีพราหมณ์ได้บุญต่างกันไหมครับก็ได้ได้ปัญญาต่างกันเนี่คนที่บวชชีโกนหัวก็แสดงว่าเขาปล่อยวางร่างกายปล่อยความเรื่ความสวยงามของร่างกายได้แต่คนที่ยังติดกับความสวยงามอยู่ก็ยังปล่อยวางไม่ได้ก็มันต่างในความความรู้ความฉลาด คนเราเมื่อตายแล้วเกิดทันทีเลยไหมครับก็อยู่ที่บุญกับบาว่าเราต้องไปรับผลบุญผลบาปก่อนเลยไม่ถ้าไม่มีผลบุญผลบาปไปรับเราก็บัลอรับรากฐารต่อไปได้แต่จะได้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่คิวเอแล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะคุณพุทธิพงศ์ครับอาจารย์ครับนึกถึงการปฏิบัติแล้วมีอาการแน่นและเครียดเกิดจากอะไรครับเกิดกกิเลส กิเลสไม่ชอบการปฏิบัติมันชอบมันชอบมันชอบเที่ยวชอบกิ น, ช อ, นชอบเดินชอบเงินชอบทำอะไรต่รางๆพอให้มันอยู่เฉยๆมันก็เกิดความแน่นและเขียดขึ้นมาเป็นการต่อสู้ต่อต้านของกิเลสคุณแอมครับลูกควรแนะนำให้พ่อแม่ทำทานารักษาศีลเจริญภาวนาได้ไหมครับถ้าท่านถามก็ได้ถ้าท่านไม่ถามก็ไม่ต้องไปสอนท่านนานรู้ของพวนี้ ถ้าเรารู้ได้ธรรมะท่านจะไม่รู้ท่านอยู่เมืองพูดธมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแตถ้าท่านไม่รู้เลยก็อาจจะเอาหนังสือธรรมะมาวางไว้ใกล้ๆท่านเปิดท่านเห็นแล้วท่านสนใจเอาไปอ่านก็ได้แต่ไม่เป็นคนไม่ควรไปสอนท่านครัคุณอัญชลีครับทรมานจากการสูญเสียการพลัดพากแบบกระทันหันทำอย่างไรดีครับทําใจ ยอมรับความจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์ก็จะไม่ทรมาร์ตคุณเตงครับตอนไม่สบายได้อธิษฐานว่าหายแล้วจะไปบวชแต่ไม่ได้ไปสวดมนต์ที่บ้านแทนได้ไหมครับต้อคุณก็โกหกอะไรเงี้ยเวลาคุณขออย่างหนึ่งสัญญาอย่างหนึ่งพอถึงเวลาคุณก็ไม่จ่ายคุณไม่จ่ายอยีกอย่างหนึ่งก็เป็นการโกรหกหลอกลว ง, ลงแล้วไม่หลอกลวงใครก็หลอกลวงตัวคุณเองนั่นแหละ คุณสลาวุธครับเราเคยทำความชั่วและทำไม่ดีมาก่อนแต่เรากลับตัวกลับใจเป็นคนดีให้ทานนักษาศีลเจริญภาวนาเป็นประจำยังจะสามารถบรรลุธรรมในชาตินี้ได้ไหมครับได้คุณเบิร์ตครับเวลาพระมาซื้อของรับเงินพระบาปเป็นหนี้สงไหมครับไม่เป็นหรอกไม่เป็ น, เ ป, นเป็นการซื้อขายของนักเปลี่ยนกัน คุณสัสิพิมพครับพ่อบ้านป่วยโรคซึมเศร้าหนักขึ้นเรื่อยเป็นวิบากกรรมของเขาหรือของเราร่วมกันครับของใครของาหมนันคุณพลอยครับอยากให้พ่อแม่เชื่อเรื่องการเวียนไห้ตายเกิดเขาชอบทำบุญแต่ไม่เชื่อเรื่องเวียนไห้ตายเกิดเลยครับก็ให้ก็หวนฟังเทศฟังธรรมชวยก็้าไว้ไปนะไปหาพาระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบไปฟังเทศฟังธรรม เลยถ้ามีเทศของครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องราวเหล่านี้ก็ถ้าเปิดให้ท่านฟังได้ก็เปิดถ้าท่านไม่ฟังก็ช่วยไม่ได้คุณปันทิศครับเราสวดมนต์ให้คุณพ่อให้ฟังเทศของพระอาจารย์พ่อจะได้กุศลด้วยไหมครับก็อยู่ที่ว่าพ่อฟังหรือไม่ฟังถ้าพ่อฟังพ่อก็จะได้กุศลอในปัญญาในความรู้ คุณสุดารัตน์บอกว่าบริจาคเลือดได้บุญไหมครับได้มันก็เหมือนกับบริจาควัตถุอย่างใดอย่างหนึง่งคุณอัญชลีครับคนที่เสียชีวิตไปแล้วดวงจิตจะยังคงสามารถคิดถึงคนบนโลกไหมครับหรือยังจําคนบนโลกได้ไหมครับก็เหมือนตอนที่นอนหลับเวลาคนตายนี่ก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับตอนที้เรานอนหลับนี่เราคิดถึงใครบ้างหรือเปล่ามันก็แล้วแต่ แล้วแต่ความคิดของเราเราอาจจะคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็ได้หรือไม่คิดก็ได้มันอยู่ที่อยู่ที่ดวจิตของเราแต่ละดวงคุณกุ๊กไก่ครับนอนสวดมนต์ทุกคืนได้บุญไหมครับส่วนมุตนี้เพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญคุณกนกวันครับเวลาได้ยินเสียงพระอาจารย์แล้วเกิดอุเบกขามากเลยครับ ขอบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเวลาเจอทุกข์เ้วได้ยนินเสียงพระอาจารย์เราหายทุกข์เลยครับพัวดีเหมือนกันนะ <c oughs> คบุณ <c oughs> มัง่งค่างครับโกรธคนในบริษัทไม่อยากเห็นหน้าคนนั้นบาปไหมครับไม่บาปเลยอาจารย์มม่มีควา ม, ม, ม, ม, มเมตต า, าคุณแซนดี้ครับ สวดนมนต์บางบทสวดไม่ได้อ่านตามหนังสือสวดบทอาจจะมีผิดเป็นอะไรไหมครับมันก็ผิ ด, ผดนะท่านท่านสวดบทคือการสวด น, นี้มันมีเพื่อให้เราเป็นเครื่องกากับใจไม่ให้เราไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆถึงม้เราจะสวดผิดถ้าถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็ก็ใช้ได้เป้าหมายของการสวดเพื่อให้เราหยุดความคิด แม่เราไปวิตกกังวนกับเรื่องนั่นนี่เครียดกับเรื่องนั่นนีนนนนนนนน่ถ้าเราสวดบทที่ผิดแต่มันทำให้ใจเราสงบได้ก็ใช้ได้เหมือนกันคุณอัจฉริยะครับเดินจงกรมได้นานกว่านั่งสมาธิยังจําเป็นต้องนั่งไหมครับหรือเดินสมาธิเลยครับก็แล้วแต่ว่าเรามีเวลาปฏิบัตินาะ้น้อยเพียงไร ถ้าปฏิบัติมากมากถ้าเดินมากมากเข้ามันก็จะต้องเมื่อยแล้วก็ทนเดินไม่ไหวมันก็ต้องกลับมานั่งสอาทติต่อไปดีใส่บาตรทำไมต้องกรวดน้ำไม่กลวดได้ไหมครับคือการเอาน้ามากวดนี่นเป็นการเอาเอาน้ามาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของบุญ <c oughs> เพราะคน <c oughs> คนบางคนไม่รู้ว่าบุญเป็นยังไงเท <c oughs> ่าก็เลยเอาเปรียบเทียบ ว, ว่าบุญนี่เป็นเหมือนน้ำ เวลาเราเทน้ําจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งคือเราส่งบุญจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งความหมายมีอยู่แค่นั้นถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเวลาเราเจ้าอุทิศบุญเราก็ไม่ต้องใช้น้ําำกดก็ได้เพียงแต่เราเลิกภาในใจว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านผู้นั้นผนี้ไปก็ถือว่าสําเร็จประโยชน์แล้วคุณรุ่งละดีครับ นั่งสมาธินึกพุโทโธสักครู่มีอาการจิตเข้าไปอยู่สักที่จิตนิ่งเฉยเฉยรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเป็นแบบนี้หลายหนเข้าใจเองว่าน่าจะหลงทางขอวิธีแก้ครับคนยังกลับมาที่พุโทโธต่อถ้าเกิดอาการรู้สึกอึดอัดถ้ายังไม่สงบไม่นิ่งไม่เกิดความสุขก็แสดงว่ายังไม่ถึงถึงทางที่เราจะต้องไปถึงที่เราต้องการจะไปก็กลับมาหาที่พุโทโธต่อไปคุณเคครับ ดูลมแล้วเห็นตัวเองเป็นก้อนสักพักก็เป็นน้ําคืออะไรครับก็ไม่ดูลมตลอดอย่างนีต้องดูลมตลอดอย่าไปสนใจกับสิ่งอย่างอื่ที่ปรากฏขึ้นมามันไม่สําคัญหอกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาคุณโสพลครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตของเราเป็นสมาธิขั้นหนึ่งสองสามสี่มีอาการหรือข้อสังเกตยังไงครับจิตก็เบาขึ้นสุขสงบมากขึ้นไปทางลำดับสุขมากขึ้นไปทางลำดับ คุณเกดมณีครับเราจะมีวิธีไหนชวนให้คนรู้จักหรือคนในครอบครัวไปปฏิบัติธรรมกับเราได้ครับก็ลองชวนก็ดูเลยแล้วเ็าไปก็ดีเขาไม่ไปก็ช่วยไม่ได้คุณนกครับหนูชอบไปวัดทำบุญใส่บาทฟังธรรมทำสมาธิฝันถึงวิดาซึ่งท่านเสียไปแล้วท่านจะได้รับบุญไหมครับก็อยู่ที่ว่าดวงใญ่ของท่านหิวบุญหรือเปล่าถ้าไม่หิวบุญท่านก็ไม่มาเรารับบุญ ถ้าท่านหิวบุมท่านก็จะมารอนรับบุญคุณแดงครับเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนําเนื้อหมูมาทําแบบนี้บาปไหมครับถ้าเป็นเนื้อหมูที่เราไม่ได้ไปสั่งให้เขาฆ่าให้กับเราก็ไม่บาปถ้าเป็นเนื้อหมูที่ตายแล้วเราไปซื้อมาโดยที่เราไม่มีการส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเนื้อของหมูตัวนั้นเราก็ไม่บาปแต่ ถ, ถ้าเราไปสั่งเขาไว้ล่วงหน้าพรุนี้เอาหมูห้ากิโล เนี้ยบาปเพราะว่าเราไปสั่ให้เขาค่าให้ให้กับเราแต่ถ้าเขาค่ามาโดยที่เราไม่ได้สั่งเราไม่มีความส่วนเกี่ยวข้องด้วยเขาค่ามาเพื่อขายใครก็ได้ถ้าเราไปซื้อเนื้อแบบนั้นบาปก็จะไม่บาปเวลาพระบินทบาทเราใส่บาตรด้วยเงินถูกหรือผิดหลักครับพระก็ชอบให้ถวายเงินด้วยครับ ก็โดยปกติก็ถวายเงินได้าแต่ต้องไม่คนนั้นให้ท่านรับกับตัวท่านเองให้ฝากไว้กับลูกศิษย์ท่านเป็นผู้ดูแลรักษาเงินทองไม่ต้องการให้พระครอบครองเงินทองและพวกพาเงินทองเพื่อไปซื้อข้าวซื้อของด้วยตนเองให้อำเงินทองนี้ฝากไว้กับลูกศิษย์คนที่ไว้ใจได้เวลาเราการข้าวของอะไรก็ให้ลูกศิษย์เป็นคนไปจัดซื้อมาให้แทน คุณอาริกาโตครับเมื่อเราฝึกมีสติรู้กายรู้ใจไปวันหนึ่งมันเบื่อจะสู้ต่ออย่างไรครับก็ยืนยืนเป็นรู้กายรู้ใจก่อนให้มาทํำทําให้ใจนิ่งสงบให้ว่างไม่ต้องไปรู้กายรู้ใจให้ฝึกพุทโธพุทโธไปเพื่อทําให้จิตนิ่งสงบไม่คิดอะไรไม่รู้อะไรให้อยู่กับความว่างไปก่อนแล้วความเบื่อก็จะหายไป ครอบครัวลูกไม่เอาไหนกับแฟนชีวิตไม่ลงเอยกันต้องทําอย่างไรครับก็อยู่คนเดียวได้กันดีพระเจ้าบอกว่าถ้าเราหาคนทีอยู่แล้วไม่มีความสุขก็อยู่คนเดียวดีกว่าคนเที่ยวไปเรื่อยครับพระอรหันต์ท่านจะเทศธรรมะแล้วแต่วรวัวสนาบารมีแต่ละองค์ใช่ไหมครับอย่างหลวงปู่ลีก็ไม่ค่อยเห็นท่านเทศหรือหลวงพ่อสุดใจท่านก็ไม่ค่อยเทศแต่ วอมาราพาวอาธิท่านก็เป็นสีทองสวยงามมากครับคือเรื่องการนพระอรหันต์กับการครับสามารถที่จะมีการสั่งสอนคนที่เป็นคนละเรื่องกันบางคนสอนเก่งแต่อาจจะไม่บรรลุ ก, ก็ได้แต่สอนเก่งบางคนบรรลุแต่ไม่สอนไม่เก่งก็มีเป็นคนละเรื่องกันจะแก้กรรมอย่างไรดีครับได้ไม่ได้กรรมจะต้องคข้ร้อยรอบผลโยมของมันนันี้ คุณออครับนั่งสมาธิอยู่แล้วรู้สึกว่าสงบมากร่างกายไม่ขยับเลยแต่รู้ตัวอยู่จับอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกแบบนี้ใช้ได้ไหมครับอาจารย์ได้ก็นั่งไปเรื่อยๆมันอาจารย์ยังไม่สงบเต็มที่คุณสราวุธครับกรรมที่เราทำไว้ในอดีตจะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิบัติของเราได้ไหมครับน่าจะมีส่วนได้จะมีเจ้ากรรมในเว้น อคอยขาดขวางการทำธุรกิจของเราก็ได้อาจจะเป็นคู่แข่งกันก็นได้คุณนกครับไปถวายสังฆทานพอถวายเสร็จเห็นพระท่านรับของแล้วหยิบน้ำหรือขนมไว้บางส่วนใส่ตะกร้าข้างตัวท่านจากนั้นมีเจ้าหน้าที่หรือพระองค์อื่นมายกของในถาดทั้งหมดไปแบบนี้เรียกว่าสังฆทานใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าท่านไปทาอะไรไงถ้ า, ถาแบบแอาไปแจกกไปแบง่งแบ่ง เหม่กับผ้าลูกจ น, นถึงมัเป็นสังฆท า, านได้คำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับคุณอภิการบอกว่าคนที่เคยทําไม่ดีแล้วเราทําบุญทดแทนกรรมไม่ดีนั้นทําให้กรรมนั้นหมดไปได้หรือไม่ครับไม่ได้หรอกกรรมของกรรมเท่าที่ทำํำไาเท่าที่มันจะหมดก็ต่อเมื่อมั น, มนแสดงผลแล้วเราไปลบล้านกรรมด้วยการทําบุญก็ได้บุญก็เป็นเรื่องของบุญบาปก็เป็นเรื่องของ บ, บาปอ ข, อบาของใดของนัน มนบล้างกันไม่ได้ขอากาศครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟสเก้าร้อยสี่สิบหกครับในยูหกร้อยสิบสี่ในครับเจ็ดรวมพันห้าหกสิบเจ็ดในติ๊กต็อกหกร้อยหนึ่งคนนะครับรวมเป็นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดคนครับพระอาจารย์ครับก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านที่มีความสนใจในธรรมหวังว่าการฟังธรรมคงจะได้เป็นประโยชน์เพื่อ ให้การปฏิบัติธรรมเจริญก้าวหน้าขึ้นไปต่อไปการสัญญาธรรมตนมอนคืนนี้ก็ ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปเพลินเพลียน า, าไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าใ น, นี่ยมยิ่งๆขึ้นไปเท่านั้นก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุขาดข้ออันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้า ขอจเจริญพรขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ